ด้อุบัติจากคันมาลืมในตาทั้งสองข้างวางพระกรแล้วทูลวรว่าอามะข้าแต่แม่ทรัพย์มีแทนนั้นเท่าไรลูกจะได้บำเพ็ญทานเมื่อพยาวมานพุทษสดได้ยินคาพาธีของลูกรักทราบประจักษ์ว่าเป็นบุญจึงยกโหนพันตําลึงให้ถึงมือแล้วตั้งชื่อเวสันดร เพราะเกิดตอนตรอกพ่อค้าในเวลาอันเดียวกันช้างสับมันในอากาศสะอาดสีนำมเชนเป็นคู่บารมีชาวสีผียกให้เป็นช้างขวัญเมืองเมื่อพระเวสสันดรเจริญโฉมขึ้นก็ได้ศึกษาศิละปะจนครบ18จบเมื่ออายุคบ 16, รบ1 6บหพรรษากลุงสนชัยได้ไปขอพระนางมัตสี ซ้าเป็นบุตรีสีมัทราชมาเป็นคู่ครองแทนราชสมบัติในกรุงศรีพีเชตุดรการต่อมาพระนางมัทสีก็ได้ตั้งคันภ์ก่อนจะประสูต์ประโยานได้อตาขายทองมารองรับจึงขนานนามว่าชาลีชาละตามตาายทองพออยู่ต่อมาพระนางมัทสีก็ได้ตั้งคัน์อีกเป็นคำรบที่สอง ก่อนจะประส寿ประยุระญาตได้เอาหนังหมีดำมารองรับจึงขนานนามว่ากันโหกันหาตามหนังหมีดำเมื่อพระเวสสันดรมีพยานรักเกิดขึ้นทั้งสองพระองค์แล้วท่านก็ได้สร้างโลงทานขึ้นทั้งหกแห่งอาที่เช่นทิศทั้งสี่และประตูทั้งสองพร้อมทั้งใจกลางพระนครองค์พงเพศเวสสันดร ก็ได้ทําทานอยู่เป็นนิจการไม่ได้ขาดมีความสุขไม่ทุกข์เลยก็มีนักกาละครั่งนานธมังเทเซ็นตสืบต่อการแสดงพระสธรรมเทศนาวารณิธรรมภาจะได้ดันนาทีของชาวเมืองกะลึงคาลาเมืองกะลึงคาลานั้นเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองสีพี อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเท่าใดนักขุโยมอุปมาอุปมาก็พงจะเป็นประเทศลาวกับประเทศไทยของพวกเราแต่ว่าความเป็นอยู่แตกต่างกันลิบลับเนื่องจากว่ากระลึงครัตนั้นเกิดอุบาทถุพิกระพายเรือวิสัยฝนฟ้าไม่ตกถึงเดือนหก็แหลงเปล่านับเวลานั้นเล่าได้เจปีปลายเจเดือนประชาชนคนเมืองกระลึงอดอยากข้าวปลาอาหารแสนกันดานรสละเกินเกิดการต้นการฆ่าสารพัดสารเพเรียกว่าทุพพิกภัยว่าดังนั้น ข่าวทั้งหลายจึงมุ่งหน้าหมายตาเข้าสู่พระราชวังหลวงกราบบังคมทักทวงดอกแด่พระราชาในเมืองกะลึงคร่าเมื่อไปถึงแล้วก็กราบลงได้เบญจังกรบประดิษฐ์สิ้นเสร็จสามครั้งก็ขยับขยายมานั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนักการละครังนั้นราชากะลึงกะลาเถทุพิขันทีติในข่าวกาละครั้งนั้นพระยามเมืองกะลึงกราชกาลังประทับอยู่ที่ปางพระประสาทของตน ก็ได้แลรัตทัศนาการเห็นชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงลังไหลใต่เต้าเข้ามาสู่ท้องพระลงเช่นนั้นจึงได้ออกโอดไขขานกับชาวเมืองออกไปว่าดูก่อนประชากรเกิดเดือดร้อนด้วยสิ่งใดจึงลังไหลร้องให้มาจงว่าไปให้ข้าฟังเถิดแม่นพวกเจ้ามีถุกห่อนสัรพสิงสันดายชาวเมืองใจประสงค์อย่างนอจังดวนมหาข่ามากหนาหลายตาหลายผู่หลายค้น หลังไหลใต้เติลขอมาด้วยสีหนาสีตาเสาราหมองเป็นพวกเจ้ามีเรื่องมีเหตุอีย่างไรชาวเมืองเทวค่าแต่พระองค์ผู้เป็นสมมุติเทวพวกกล่าวก็มอมจอมกระผมมาครั้งนี้มีเหตุเดือดร้อนพระองค์ถามเจ้งขี่ก็เขาล็อกของพวกเก่าวล่ะพยาคาพระองค์แสดงว่าปปสอดซองสัญญาณว่ตรวจดูความสุขความถูกของไผ่ฟ้าประชาราษฎรเลยติดไดบุ พออระองค์นิบัติหูเมื่อขังว่าขิงแข้งสิออกนอนในบ่พระเจ้าค่าแม่ออนพระองค์นิบัติหูเมื่อขังว่าเห็กดกระด่างสิสปงขอนไตพ่อเนาะพระเจ้าค่าเฮ็ดกระด่างใส่ไม่สิมะปงขอนเรีวเถิดนี่ฝนก็เพระท่านได้ตกพ่อสามเถื่อนเนี่ชยชาเมืองนั่นลักพระเจ้าข่าสาเหตุที่มหาพระ อ, องค์ย้อนฝนบดตกนี่แหละพระ อ, องค์สาเหตุที่มหานี่ยย้อนว่าฝนบดตกบานเมืองเฮ้ามันแลรงมันแห้งพระเจ้าค่า มันแรงมันแห่งโดยข้าน้อยมันแรงมาโดนลอตีชาวเมืองเจ็ดปีพระเจ้าค่ะ มาโทษโดนเติบเราโตสั่นวะว่าโดนเติบแล้วหลายพวกหกแล้วพระเจ้าค่ะแมนอิหลีไม่ใช่ว่ามีหกเจ็ดสติงวดเอาไปตัวเทียบตัวแดนพญาก็ไดเจ็ดเดือนพระเจ้าค่ะเจ็ดเดือนเจดวันพระเจ้าค่ะเจดวันเจ็ดชโมงอีกพระเจ้าค่ะปาดไม่แลงทักเจ็ดนาทีพระเจ้าค่ะเจ็ดนาทีก็มีอีกเจดวินาทีพระเจ้าค่ะเจ็ดวินาทียังมีอีกพระองค์เออซ้ำหนีมันจะแรงกว่าแห้งเหรอดาฉเมืองมีอีก มีอีกเจ็ดเงียบเงียบเงียบแงพระเจ้าค้าว่าไปทั่วเลยทวีเจ็ดปีเจเดือนเจ็ดวันเจ็ดชั่วโมงเจ็ดนาทีเจ็ดวีนาทีนี่ยมันก็ส right. ุดยอดแหรงแล้วแม่นพวกเจ้ามีแนวอยู่แนวกินอีย่างแต่มาแรงทักปัานี้โอ้ยยาสิเบาเลื้ยงแนวกินทบพระเจ้าค้าอันพวกกล้าวกับผมม้ามนีมีสามีเหตุยุสันดอกมีสาเหตุพระองค์ ว่าจังได้ชอบเมืองวามากกันหรือากัย้อนมันแลรงมันแหงอย่แล้วมันแหงมันแหงย่าเราถอยหลังขึ้นเจ้าเลยไหมล่ะโอ้มันแรงมันแหงพระเจ้าค่ะเออเฮ็ดจังได้แล้วก็แล้ววิธีการต่างๆวิธีการหน้าๆเพื่อนแน่นํามีอยังกับภาพกันเหตุไปเบิดเพราะว่าสิเป็นเจอนั่งดงสวดค้าทาปะพอนิมนต์หลงพอมาสวดยาเทวตาสันติวิหารวาสินีเฮ็ดแล้วฝนกระบตกคือเก่าพระเจ้าค่ะเฮ็ดเบิดทุกอย่างแล้วฝนกระบอกตคือเก่าโดยข้าน้อย เหตุ12บข้องสิบสี่เหตุยีข้องเกียนเสิงนั่งโดงเจิงนั่งแมวเห็ุกันเบิดแล้วแล้วมันท่ากันเหตุถือเวลมนผู้ใดเป็นพนผ้าเหตุพอายจำพอยายจำเป็นนผ้าเหตุพอยพ้องเระ้าเหตะเจ้าค่ะเมื่อเราผ้าเหตุเราวิ่จังหน่อยบ่บ่บ่บ่ขาเ่อมีค่วมสงสัยสแลชาวเมือง ขันเฮต้าเก้าฝนต้องต๊กแม่ขันพวกเจ้าเฮตฝนเป็นอย่างจังบ่ต๊กเทวดาฝ่าดินเราย่อมนิยมสมพรเมตตาสงสารพระองค์เลยสงสัยสงสัยว่าพวกเจ้าสีผ้ากันเหต์โบถึกพอยายจำสีผ้าพวกเจ้าเหต์โบถึกว่าโบถึกเมื่อเราผ้าเหต์เจ้าได้ไปน้าเพลินบ่ผมนี่เราเป็นเลขขาของเพิินก็ได้เป็นเลขขาพอยายพงว่ดทีพระเจ้าค่ะเอ้าขันแจ้งสั่นเจ้าขอมาต่อหนาพระตำหนักของเฮ้า เขามาต้อนหนาทองพระโลงของเข้ามือนี่เ้ามีความสงสัยว่าพอยญยเล้าสิพ้าเห็ดผ้าท้ำมอถึดเล่าวาจังหดแน่เราผ้าผวกสาวเจ้าเซิงนั่งโดงเจิงั่งแม่จังหดแน่ให้พวกเจ้าวาสู่เ้าฟังกันหน่อชาวเมืองเอ๋เอ้า ว่าไปว่ามากพระองค์นี่บพท่านเสือคักอยากให้กล่าวกับผมนี่เซิงสู้ฟังเซิงสู้ห่อฟังเบิงว่ามันจิว่าถือบ่อถ้ามันถือเข้ากระสีป้อนให้พวกเจ้านั้นว่าไปเรื่อยๆถ้าว่ามันบ่ถือเข้ากรสีได้ทักทวงเขินเข้ากรสีได้แก้ไขให้มันถือมันต้องเสนอเอาว่าม่าเป็นเหรอเอาสิลองว่าเบิ้งจําผิดจําถือพระเจ้าข่าเซิงแม่นางโด ลงโคกไก่แม้กินเขวียนเวียนมานี่ก็ได้สองสามหอเสือไก่แม่นางแมวนางแมวเอื้อยหอบมาเจ้าแจวห้องเจ้าแจวเราพอป่าพอคนพอละมุนลวนเลวกระบางเสือกะบางก็นางแมวข้ามา ตกลงมาฝนตกลงมาให้นาตูโหงไกยทรงตูเปียให้น้าตูโหงกายทรงตูเปียยายใ่ดยยาย่หญ่ว่าไปไหมว่าไปขวบบพระคผมเล้ยสิหลงจ้อยให้น้าตูโหงละให้ทรงตูเปียให้ของพะยเพื่อไม่ติมนล ข้างพ่อพาหัวมันเถาะนอะแม่หลังพระเจ้าค่ะโอ้ยจัาไม่สมาแหย่ของพญ้าคือติมหลอดเลยนี่ตำหนาตำหลังพองค์บสอด่เราไม่เล่ไปนน้หลอดเลยพระเจ้าค่ะโอ้ยซ้ำพ่อมั่นแหงซ้ำพ่อมั่นแรงซ้ำพ่อฝนมันโบตกคืมมาเรากระเบยไปลมมาล้ากระเบยไป ย้อนพ้นเจ้าว่าไงไงว่าแบบมากงายสุกเอาเผากินมาจะต้องว่าให้มันถึกคำเรานีสิ่งเหล่านีโบราณจารย์เพิ่นพาเห็ดผ้าถ้ำมาเพิ่นเห็ดย่มใดมันไดผลย่ำนั้นฝนฝ่าชั่ลท่ามันกระสิตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลทูกทางทูกเข้าไปพวกเจ้ามันว่าผิดมองสีล้งเนี่ยมองของขอย่าก็ไติมหลอดเนี่ยขอแก้มื่อไม่จะน้อยพระองค์กษัตริย์เอาว่าไม่กันเลยฝนสีตกกาบาปศีโนนพี่อันประทันหอดพี่สเลดอน ฝนสีตกตาบับบกสีล ok ้นฟ wow. ้าสีห้องเสียงของไหลหัวนี่สมคือองบพจค่ะว้าสีห้องเสียงของไหลหัวผัวสีนีกับขั้นหัวหยาบหยาาเจัาห้ีลงไปยังฉันเลยเอ๊ะ มันสิเกียวอย่างกันฝนสีตกมันเป็นอยังขึ้นั้นหัวเลยเอ้่ยอาหัวสีนี้ก็บเกิดหนักกูสียู่กับใคยนอกกูสิเป็นแม่ห่างแม่ใหม่แล้วเนอกก็เกาหัวเกาหยั่งไปส่นตัวพระเจ้าค่ะ มันบ่อถือมันบ่เกี่ยวกับฝนเลยมันบ่อได้เกี่ยวกันเลยฝนสีตกกับขั้นหัวนี่ว่ได้เกี่ยวกันเลยช้าเมื่อกี้มันพวกเจ้าไปเอาตำล่านี่มันตะใส่เดียนี้เขามันก็เป็นมุลมานธรรมดาได้หระพระเจ้าค่ะกันฝนที่ตกอะแก้ไหม่แก่ไหมเอาช่างสิซะเพื่อความเข้าใจขอให้พระองค์จงแนะน้ำปวกเกลากับผมเพื่อเสด็ไปปฏิบัติในหน้าคดเถอร์พระเจ้าค่ะ ฟังห้างศิวาสู้ฟังผาเจ้าค่ะว่าตำนาตำลังยังสิไม่ใช่ได้เือดให้เดือดหน้าเชื่อตีฝนจังเลยสิมาตกให้เอาฟังห้างศิวาเจริญแม่นังโด่งลงโคงก่เมตินเวียนเวียนมานีกัได้สองสามรอ ขอบมนันมีกัได้สองสามทีตาตุลิกะแมงมีตุลาเทงลงมาให้ฝนเทงลงมาตู่ ให้ฝนตกลงมาตาวันคืนให้ฝนเธอิบลงมาตาวันคำให้ฝนนำลงมาตาวันแดงให้ฝนแทลงมาเทลงมาให้ฝนเทลงมาตู่ลงมาให้ฝนตกลงมากาให้น้ากู้หงและให้ทรงกู้เปียให้ ให้ยังพระเจ้า่ามองนี้คทัเบื้งเชาเมืพวกก้าวสือมาจากทางน้ทาแกนไมนเล่เดียวเดีหนังสือนะทงพระเจ้าค่ะงวาส่ายง่ายมองนี้เยให้ทรงตูเปียให้นะกูฮงทงกูเปียให้ ให้ได้หาให้ได้หาเสือฆ่าฆ่าไทยสันตัวส่าฆ่าฆทาไทยเออฝนมันสิตกจะต้องหาเตรียมแอกเตรียมไถ่เตรียมง่วเตรียมกล้วยว่าแต่ใส่แอกใส่ไถเตรียมที่ล่องหดนะโดยเฉพาวเมืองเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหล่นพนสิ่งที่ติดผาดไปแล้วก็สามารถเอาขึ้นมาได้พะองเอ้ยจังไดก็ตาม ขออภัยให้แก่พวกกล่าวตาดำๆด้ๆดวยเทิดความเป็นจริงแล้วการเซิร์งคดีการขอฝนคดีมันเป็นกุสโลบายของคนโบราสเห็นคนกําลังโศกกระลังเศร้าเพลินก็เลยผาฟ่อนผามวลพ้ า, า, า, ายิ้นให้ลืมถูกลืมโศกความเป็นจริงแล้วพวกลวกล่าวกับผมเดินทางเข้ามาเมื่อนี้ว่าสีมะขอตํานี้ตีชิ้นพระองค์นี่จักเล็กจักน้อยสนดรพระเจ้าค่ะตํานี้อย่างเท่าอี ก, ออกพระองค์นี่คงสบหลักษาสินที่ใดโนเทวดาฝ่าดินจึงล้โทษธรรมชาติจึงโหดจังเห็นนี่พระองค์ บ้าสังสิกามาดูถูกข้อเท็ภาษายังสิลนุ่นยังถ้ำท่านพญาอยู่ในศีลในถ้ำตั้งอยู่ในทศพิธหลักจะถ้ำบ้านเมืองมันมาเป็นจังสีดอกมีศีลบอรักษาศีลจังบอมีจังไหนเช่าเมืองศีลถ้ำนี่ห้องปฏิบัติอยู่ทุกมือห้องปฏิบัติอยู่ถูกวันลําพังหนึ่งเตโตศีลนี่ห้องบอรักษาห้องจักรหงยอดมันผลศีลถ้ำยอดศีลถูกต้องยอดศีลมันยังพระเจ้าค่ะโมอิติดโมอิติดมีดอิตโต ศีลอีอย่างมีดิโตกระศีลเนี่ยอยู่นเนี่ยกินศีลป่วยอ้อยสอยปีศีลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการประดับประดาอยู่ในงานบุญ พ, พระเวทมือนี่กระโมอีติดนั่นก็เป็นศีลมากพระองค์เอ้ยศีลอันนี้เป็นคำกิริยา ซอเซอสลาอีน้าหนูอ่านวศินสำหรับสินไม่สินไหลก็ะถือยูดอกแต่ว่าศิลที่พวกเกล้ากับผมต้องการอยากให้พระองค์รักษาหรือเว่าถึงยุกนั้นนี่คือซอซาราสลาอีลอริงอันวศินแปลว่าการสำล่วมระวังกายว่าจ่าให้เรียบร้อยสันเดออันนี้คือนยอดศิลปพระองค์อันยอดท่ำแม่นังบัตรขึ้นว่าสันข้อรักษาพิษรักษาผิษทียอดท่ำจีพระเจ้าค่ะ เอ๊มันยันอะไรเง้ชอบเมืองยอดศิลคือหมอยีตีดยอดถ้ำม่นยังพระเจ้าค่ะยอดถ้ำพเจ้าค่ะพอยลื่นแลล่ะห้องมัหวมันถอสร้างหัวมันถอดห้องมังน่ะเขาลืมแล้วหองมังหางมองคือยอดถ้ำเออ เอาหลักพระ อ, องค์เอ้ยพระองค์อองจงปฏิบัติตนใหม่ซาพวงเกล้ากับผมขอกราบบังคมทุนให้พระ อ, องค์รักษาสินแปดในโอกาสเดียวกันพวกเกล้าสิรักษาสินหาพาลัอองเถิดประเจ้าเล่าเทวดานิยมสมพรปโปรยฝ่าปโาปรยฝนลงมาแ ก, ก้ปัญหาภัยแรงอันิมบุได้ลงทุนลงร่อนที่ยังสําหรับการรักษาสินขอพระ อ, องค์จงปฏิบัติด้วยพยคผาลำดับนั้นเมื่อพยาเมืองกระลึงกระลานได้รับคำแนะนํา จากชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงว่าให้พระองค์ท่านนั้นรักษาซึ่งอุโบสถตศิล์พยาเมืองกระลึงกระลาดจึงได้สละซึ่งเพศของพยราชามานุ่งขาวห่มขาวจนสิ้นกำหนดเจ็ดวันตั้งใจสมาทานซึ่งอุโบสถตศิล์เป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยฝนฟ้าเวลาหกก็ไม่ตกลงมาถูกต้องตามฤดูกาลสักทีคอยแล้วคอยเล่าเทพาอารักทั้งหลายทั้งปวง ท่านคงเห็นว่าเมืองกะลึงกะลาดขาดความสามัคคีซึ่งกันและกันปัญญามืองกะลึงกะลาดจึงได้สลับเพศของการรักษาอุโบสถต่ศีกลับมาทรงชุดของพระราชาเหมือนเดิมกลับมาทรงเพศของพระราชาเหมือนเดิมเมื่อทรงเพศของพระราชาแล้วเช่นนั้นจึงเรียกให้ชาวเมืองทั้งหลายทั้งปวงเข้าเฝ้าเพื่อจะได้ปรึกษาหาเรือหาทางแก้ไขความแห่งแรงอีกต่อไป เมื่อพญาเมืองกระลึงกระลาดได้คิดไตรตองดังนั้นแล้วจึงได้พูดกับชาวเมืองออกไปว่าอันนี้แ่ละชาวเมืองเอ้ยการรักษาอุโบสถต่สิ้นเท่ากับรักษาจนสิ้นกำหนดเจ็ดมื่อเขวันแล้วฝนฝ้าวาระหกกบโกตกลงมาถูกต้องตามประเภทนี้ตามฤดูกาลอีกคือเก๋าแมนพวกเจ้ามีความชิดเห็นเป็นประการสัง ให้แสดงความคิดออกมาปรึกษาหาเลือกับเขาอีกต่อไปบรรดเชาวเมืองขอเดชะใต้ฝ่าละองทุรีพับบาพวกเกล่ากับผมมีอยู่น้ำกันไหลคุมไหลซุ้มมือว่านนี่ไม่ใย่สีไม่ใย่สาไปหาอยู่หากินทางนครสีพี่ตามแถบละแวกเขตแดนเผอิญมามันเพลิดมันเพลิน ลุล่วงก็ไปในเขตประเทศสีพี่พลรมากลากใหม่อุดมสมบูรณ์พลูผัดลาดพลูพลนล้นปลาอยู่ในน้ำหน่อยน้องหน่อยยังกะแหลวแต่บอนตามๆพ่อปันแข่แกงหาง พวกเก่ากับผมกระเล่ถามพวกชาวชายแดนบาบ้านศรีพีเมืองศรีพีทําไมเจริญรุ่งเรืองเขาก็ตอบว่าเป็นด้วยเดชะบารมีขององค์บรมมาพงเพศเวสสันดรพร้อมไปด้วยช้างปัจจัยนาเคศ้างโตัทิวานีขี่ยวดระยาดยาตราไปใส่ฝนที่ตกไปฮอทหันเจ็ดมือตกคังสิหมือตกเถรเนึงอเหตุดังนั้นพวกเก่ากับผมจึงอยากจะได้ช้างตัวนี้มาไว้ณที่เมืองของพวกเราพระองค์มีความคิดว่าจังไดพระเจ้าข่าเหตุจังไดจังสีใด อ้าวขั้นพวกเจ้ามีความชิดเห็นเจงสี่ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องฉะนั้นเฮาสิตั้งให้เจ้านี่เป็นหัวหนามูให้เป็นส้วนอมูอีกจัดเจดคนแล้วก็ตีแตงสิ่งแตงของให้เป็นทีเสซตซับเรียบร้อยอาหารการกินสั่งลูกสั่งเมี่ยงเมี่ยนสิ่งเมี่ยงของสาแล้วก็ผ้ากันเดินทั้งเขาสูสีพิรชนครเพื่อสิไปขอสั่งกับองค์พงเพทเบสันดอน หาเป็นด้วยบุญญาบารมีของสั่งปัจจัยนาในเช่นถ้าหักว่าใดมายูุ่บานอยู่เมืองเฮาบ้านเมืองเฮาฮามันเศร้าแหลงหามันเศร้าแห่งอิลีเข้าสีขอตั้งเจ้าเนี่เป็นหัวหน้าโมขันสิบองง่ายๆก็คือเป็นตัวแทนราชฑูตจากกะลึงตลาดนครไปสู่ขอสั่งจากองค์พงเพศเว็สันดอนเด้อเช่าเมืองเด้อรับด้วยกล้าวพระองค์เอ้ยสิบหามือพานไปพอใหญ่ยาย ชาเเมืองกระเรื่งขลานผู้ถือสมหมดตัวว่าเป็นพรามเดินทางลุลวงเข่าสูนครนสีพีไปหอดเป็นย่ามือแล้งพอดีจักสิไปขอน้ำผู้ใดแล้วจึงเขาทั้งหลายจึงนอนนัที่โรงทานขององค์บรมพง์เพศเวสสันดอในคืนนั้นก็มีนาการะบัดนี้เวสสันตรราชาคราวครล้งนั้นองค์พงเพชเวสสันดรขึ้นชีลังนั่งกุญชรไปโรงทานในเวลารุ่งสว่างราตี ทั้งคันทีน้มเต้าทองนายครวนช้างประดิษกองอันบรรจงใครมองเห็นย่อมเฉยชมว่าสวยงามอารามตาเครื่องประดับองค์แห่งนาเค็นย้อยระยับใครเฉยชมย่อมสวยงามอารามตาสังสองงาอันเงยงอนเครื่องอาพรอันเชิดฉายเป็นลายลักษ์งามประจัดแสนสัมอางอานองนางเดินแวดล้อมพร้อมหญิงชายเขาเลียงลายเป็นท่องแถวระดับแปวด้วยอาภร ช้างกุณชรของพระเวทยุระเยศถึงลงทานทัศนาการเห็นพรามทั้งแปดพรนเกิดชงนประาดใจจึงไตรถามว่าดูก่อนพรามนามเชื้อพรามรูปอาจมเชื้อชาติไหนเธอเป็นญาติตระกูลใดมาจากไหนใครบังคับหรือมารับไทยทาน เธอต้องการสิ่งอันใดจงว่าไปให้เราฟังเถิดคุณพ่อพลามขอเดชะใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทพวกเกล่ากระผมกากลุกแต่ห่องหนแหงเมืองกระลึงพระองค์เอ้ยใจประสงหวังขอจึงดุงมาทางเี๋มาตามคำสาคำลือพระเจ้าคา เขาสาเขาลือวาจังหดพอพามจังไดภาคการมุงหนาค้ามนาการมาซูสีพีลาดนครเขาหักลือว่าพระองค์นั้นเปรียบดังโพไ่ต้นใบดกนกแกนเปียบดังแปลวแม่น้าทั้งหาแมกะแส น้ำพระไถยของพระองค์บกเคยบกเขินขาดบกเคยบกเคยบกเขินหาดบกเคยขาดเขินว่างซับผักกาลัางน้ำพระไถยของพระองค์เต็มเปี่ยมสมเขาสาเขาลือบ๊อพระเจ้าขาหมามนีอยากสิพึงบรมโทรที่สมภานว่องไงไงสิมาขอพระเจ้าค่ะสิมาขอโดยขะน้อยสิมาขออย่างหลับหัวยิ้มภาพสร้างพระเจ้าค่ะโอ้มาจากเรื่องกระลึงกระลา สิมาขอสั่งจากพระเวสสันดรโดยข้าน้อยอุ้ยขอพามเอ้ยทายศิว์บอกถึงการบริจาคท่านแม่แตงแต่ดวงตาเขาก็สามารถควักท่านใดลําพังสั่งตัวหนึ่งสั่งตัวเดียวมันบอมีใฉ่ปัญหามันบอกเป็นสัมปัญหาสําหรับพวกเจ้าดอกแต่ว่าสั่งของเขาวานั้นมีหลายโตพันละหนานับบอกปวยได้ละพาม พวกเจ้าพ่อสิลูสืมันมาจากเหล็กจากน้อยมอพลายาเมืองกระลึ้งกระลาดแต่งตั้งให้พวกเจ้ามาขอสร้างตัวใดๆตัวนั้นๆสือวาสร้างอย่างหลับข้ามสืมันหลูอยู่พระเจา้าค่ะแต่ว่าลูร่างลักษณะบลูพระองค์เอ้ยสือว่าปัจจยนาคนาเคน็นนึกว่ามีตัวเดียวโคโลเป็นสร้างทุแต่เมื่อมาถึงบานถึงเมืองแล้วสัง่งมันเยอะแยะมากไม่จังสี่ถ้าพวกเกล้าก็ผม หน้ามือตาห ม, ม้วเพราะว่าเห็นสร้างหลายตัวขอพระองค์จงผรุณาพันละนาขดฉารรสานสร้างสู่พวกเก่ากับผมฟังแน่โตใดดีก็สิเลือกเอาตามนั่นพระเจา้าค่ะเอาขั้นจังสันเฮาสิพันละนสื่อสั่งอยู่ในทองพระโล่งของเฮาสู่พวกเจ้าฟังถ้าหากว่าพวกเจ้าหู้พวกเจ้าเห็นพวกเจ้าจำสร้างตัวใดได้พวกเจ้ากระทักทวงขึ้นมาแล้วกระบอกกับพระเวท พระเวสสันดอนกษตรได้ท่านสร้างตัวนั้นเห้กับพวกเจ้าฉะนั้นให้พวกเจ้าตั้งใจฟังให้มันดีเด้อพ่อพามเด้ออืมบัดเน มมดสันติปัจจุบันตามที่มิไดนหองกันนัเจนตัวประเสริฐตัวใดเลิอตัวเพื่อนกันยิ้มแย้มเชื่อไล่ไล่กันมตั้งแต่เข่าจนกระทั่งถึงปลาย ทิพย์าคุณทั้งกกันเียงสั่าองค์พระู้านอญันกันฟังเอาแล้วเหตอใดจงไอยเอากันทเท่าวสุดท้อนะโต นันซิววาบักบัตึ้นต้าเงาปีละพาตมโตนันซิว่าบักบกตัมเทา่ตนันซิว so ่าบักบักสาวไล่ตนันซววะไาว้อยโต นั่น่ว่าปักเล้วรอดป่าพญาเทมโต่นั่นนั่นซื้อว่าแสนทองหล่อพอซื้อว่าแสนทองผิดต่นั่นนั่นซึ้อว่าเม็ดทองค้างต่นึ่งนั้นซื้อว่าปักปัจจยนาตนาค ดันในกลางเอ็นตัวนี้เป็นสังเดนเลือกคู้บางที่หาเป็นพ่อได้เกิดมาเพียงพอเออโต้หนึ่งนั้นซสื่อมวาบักษีตาสัตว ่สความบักของแดงยามมือแลมมันก็แหลมเข้าบานเข้าบานเออเเข่าบานเศร้ายานมาแลมเออซาตัวนี้ขันมันเห็นเงาไงมันก็งอกงอกเออเอันมันเห็นเห็นโอ้โอ้โอ้โอ้โ่้โอ้โ คือควาเหนื่อยันหันเหงาแมหาเงาแมหมายมาังเทียนนีสาดของฉันต้นนีมันมันีมันกะจายไปเมื่อไปใส่ไปไปใส่ถืกแม่น่าถแม่หมายขันเปนจู จู่ๆจู่ๆจากลอยทันเป็นไปไปใส่เกืบกา้เล็กสหน่อยส้ดักําปองว่างเอ๋อเออ้ออเออออเออเออเออเออเออเออเออเอเเ เบิ้งซุมแมงให้เจ้าหญิงเบิ้งซังโตนเสวะซังบักเบิ้งซังโตนเสวะซังบักเบ้งคันตุ้งไว้กังกังซังของฉันตันตัวนี้มันบ่กินใบคาบมันบ่กินใบคอย ใบมันมันยินยินใบแดงแดงใบแหล่แหล่ใบเฉียวเฉียวใบมบนบนพี่ลกนั้นทามากีดอนผัวี่นหู่นั้นบัดบนางคอยจังกินเๆ วันในซุ้มแม่ใหม่กายเบิกให้เจ้าหน้านีแนวไรสิบอกว่าแนวอะไรฝากเจ้าเที่ยวให้จิ้มกันบ่อมจังในที่กันมหาซื่อสารทะลุทักที่ลังคืนบานนาง กังสาซอยยาสระกั้งซอยวัดสางหลงพี่นี่สิไลอับเขาเมื่อมาไก่ไก่ไข่คาผึ้งน้ำไหลาบ่เอาโอ้โอ้โอ้เัวยเดเอาเถอะทถอะฉันซอไซหวย สุดเดือดโกลบบาดแผลเหลออกเป็นงานขืนมุดเชียงสังการทายสูงทียนนองดาลื่มาไบสังเชียงทนอ อยากที่ดีว่าหลังกันกุ้งขอมตัวเจ้าจังบัวสิให้พัวเจ้าทำค่าบุญ่หลสื้อไปไทยค่ากำไรก็ดุ้งได้จังว่าตีิบแก่เพีงนี้ขอเช้าที่ไม่กีคนอยู่ ทั้งหลายทั <and> ้งเที่อย่าบ จักโตโบจำได้จักโตบบชื่อได้เบสสุตโตพระเจ้าข้าเนื่องจากว่าคุณลักษณะของสั่งแต่ละโตมันแตกต่างกันโดยสินเชิงตจังนึงกระมักจังหนึ่งตัวจังหนึ่งกระมักจังหนึ่งโดยเฉพาะย่างยิ่งบักท่องดำบก้าเอาดอพระเจ้าข่ามันส่งสิขี้ดื้อพ่อสมมาผ้าคว้าน ขันบักท่องดำเห็นผู้สาวมาฟังถ้ำมันก็คิดอยากได้อยากได้อยากได้เห็นแม่ห้างแม่ใหม่สิไปง่วงไปไซไปง่าไปไซไปไปถือแม่ห้างแม่ใหม่ก็ได้โจโจวัโจกง่าไว้ก้อนขันมันไปไปถือผู้สาวสำเร็จสำหนอยสามมือก็บอว่าบอมินบอมีเงินเสียขาพับขาใหม่บอเอาดอกพระเจ้าขาตัวนี้คันบักเดอร์ก็แหงแปลกประหลาดกินบอขึ้บานบอขึ้เมืองเขาสเลพระเจ้าขาแปลกประหลาดจังใดพญิภาพอันสร้างบักเดอร์โตธีวานัน มันบกินใบขามมันบกินใบคอยมันกินตั้งแต่ใบแดงๆใบเขียวๆใบมนมอมีลูกอ่านั่นทรามหิดนผู้มีพ่นวานันบักสานสร้างไปจังกินอันมีนกพิราบดอลล่าสิงคโปร์สหรัฐมันก็กินพระเจ้าค่้าเรียงมันดอกเลียงบ่ไหวจีฝ่าไฟไม่ไงเช่าคุมวัดสีสุมางเรียงซอยพระมกล่าเอวมก้าเอาพระเจ้าค่ะแล้วพวกเจ้าจำตัวใดๆเลยพญิพัมพ์ปัจจยนาคณาคิน ง่ามันเงินในกลางมันเอ็นตัวนี้เป็นสร้างเด่นเลือกภูบาลามีสร้างภูบาลามีก็ต้องเป็นสร้างโตที่พระองค์กำลังประทับข้ออยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นโตนี้อิหลีพวกกล่าวขออยากได้โตันี้ลวพระเจ้าค่ะโอ้พวกเจ้าจำสร้างโตที่สือว่าปัจจัยนาชื่นสร้างโตนี้เป็นสร้างมิ่งขวัญเมืองตัวชาพอยยิ่งพามถ้าหากว่าสร้างของข้าโตนี้มันอยู่ระเยดยาตาไปทางไหน มันขาดเขื่อนไปทางใดมันยางไปบ้านเรืองกะเรื่องกะลามากขอสร้างกระตาแหลมแหลมนอพอพ้มเนาะอยากได้สร้างก็อยากได้สร้างตัวที่มั่นเป็นสร้างมิงขวัญเมืองเป็นสร้างที่ประเสริฐเอาขั้นพวกเจ้าอยากได้สร้างปัจจัยนาฏนาเชนตัวนี้กับปวาสันใดดอกพญภาพพวกเจ้ามากนํากันจักค้นก่อเอ็ด เอ็โอ้แปดค่อนเป็นบ่พระเจ้าค่ะเอ้าคันว่าบ้านพวกเจ้าเมืองพวกเจ้ามันแรงเบิ่งห้ามผู้นางยุบขางลางคืออ้วนอ้วนล่มพระเจ้าค่ะอ้อนี้อ้วนล่มซื้อเป็นบ่อย่างมานโมสวบล่มเง็บง็บเง็บง็บมากเมื่อวานนี่พระเจ้าค่ะเอาจังซื้คันพวกเจ้ามาจากเมืองกระเรื่องตลาดข้าอยากฟังเสียงของพวกเจ้าเบิ่งให้พวกเจ้าล่องค่อนละหน้าความแห่งความแรง มาสู่องค์พงเพทเวสันดอนเห็นหอบด้่ย่ฟังชัดชเบิงว่ามันหนักมันลำบากมันถูกมาโดนปัญหาแล้วให้พวกเจ้าเว้าเป็นเสียงแง่แง่สู่หอบฟังมีสระโอสระโอลงท้ายว่าโอเป็นทำนองสรพันยากถาเด้อยพญาย่ำเด้อยว่ามันมวลสู่หอบฟังจังน้อยกระนาเอาขั้นพวกกล่าวกับผมว่าแล้วมวนบ่ามวลจังไดแต่ว่ากรออกจากใจจริงสิพลรนาความแรงความแห้งสู่พระองค์ฟังความกำังฟัง เหตุดังนั้นขอพงจงตั้งคาตั้งเตรียมถาปตะนาธานุโมทนาให้พวกล่าวกับผมรหดเดอร์พระเจ้าค่ะว่ามาเบิงพ่อผ้าเหมาเอในี่ตอนนี้ฉันจะพันลานาเรือ เดือยน้มตมพื้นกะเล่าตาย เดีปัดแทงหายบ่นี่เนียวสิทาไงเกิดเป็นไฟควันกูไงละอองไอ้กูมาเกี้ยแต่ดินจนจบมุมข้างตห้องออกห้องออกออกเอกเมย์องเมยพององขาแต่หาคุกู แค่พั่มเข่าซานฝุ่นค้นเมืองทางภูอ่างตะทางมามีน้ำเออเฝ้าขึ้นฝนดอกปบานันผัดแต่ห้ำไปหมาเข่าได้เลี้ยกายกระไข่แน่แหนว่าได้อาบน้าไม่หมาลวกดอกกลิ่นเลี้ยง แม่ใหญ่เพือกินมาเคียงเล้าแคนนะจูนมาลังเล่าแอนบอกนีน้ำสิไปลองขอใหญ่ทองกุมกำปั้นดอกยิงยียิงยีตีเท้าระวังหลังนะแม่ใหญ่เพื่อโคตจังกังทั้งห้องเสียงเตียจนแขนเคียงนะโอ้ยหวองขอได้ปาแดงลำบอมนีน้ำใ้แต่ตี พอยื่สีพืชผาปูมาว่า เบ่งออกจนนาบีเบ่งออกจนนาเปี่วบ่มีแล้วเยวสิไรเมื่อิดได้บัดเพีงเรากรลุเองจนเมื่อเห็นย่างตายเศร้าลุจมขอนเม่ใหญ่เกลือเห็นมาเคียงเข้านาแขนปันแล้วยังกาเล่าหลดแงินทั้งนอนดินดอนเกิดแรงแรงฝนฝ่ากระไขวเ กันทนีหน่วยกลวยลูกกาะจาดไปเมื่องนะน่าเพียงไก่เป็นดอนสวนมอนไก่เป็นโดงมังคงได้หนีดาวฟูมมูกิน้อยให้ห้องหาคนอยู่วันวอนนะเป็นจังสีละท่านทต่สันดอนปวดสงสารเนคอนประทานให้ ออกนา ค้ามสำนวนออกมาจากใจจริงพระเจ้าพากีน้อยกีปมกีฤทธิ์ภากันไใเ่กันยังยังยังยังพอปัญชีเจียมเจอกระเบื้องตาเสือพระเจ้าพากันจางสันบัดเน่เฮากระสิเดยมอบหลักฐานเจี่ยวกับสังปัจเจนาดนาเช่นให้กับพวกเจ้าเวลาพวกเจ้าชี้ส้างออกจากเมืองศรีพิรันลัก พวกเจ้ากสิสามาแสดงหลักฐานนี่ต่อชาวเมืองสีพิลาตต่อทหารเมืองสีพิลาตต่อประชากรชาวเมืองสีพิลาตได้เพื่อสิบวันเกิดอุปสรรคในการเดินทางพร้อมกันนั้นเฮากสิได้ปาถนาอนุโมทนาในผลสินผลท่านขังนี้ก็ให้พวกเจ้านั่นตั้งอกตั้งใจอนุโมทนาสาธุการพร้อมองค์พงเพทเบสันดอนพอญาดเมยโนมพอหายเมยไง ผู้ฟังเพจ ย, ย 1890, ุนี่กระสีไดอนุโมทนาพร้อมกับองค์พงเพจเบสันดอนไปพร้อมเอ้าฉันนั่นกับผากันตั้งใจและพญ่ภาพเด้อนี่ ลำวางสองทาสวยเดียวสราคาีสองสนสีมเครื่องประดับที่อื่นสองแก้มแซมน้อยแซมลอยแก้มอุนาไม่น้อยพิษพลอยประการจิตรังคาสองวานประดับสองแก้มสิบสองแกลมเรียกตามฟังลาง ฟันหลังเพื่องปัดดับที่นั่งสับผคับบนหลังอีโมลาเขาฟังเป็นชั้นย่อระยับปนกันสี่พันตำเลิอดตำเลืงสายละทองที่ดึงนับบังคับแยงไวราคาทันใซสิบแปดินตราชิดเป็นราคาสองแสนไอขาดไม่ขาดหูทั้งสองหน้าตปัดดับด้วยโมลี โมลี <Yeah. S 2> <Molly. S 3> ิเป็นทองดีได้สิบห้าชั้นาทั้งสองที่ตั้งตรงโขดธวันธ้รวันมีแก้วประพันพิษนินทองนาคิดราคานั้หากสิบหมื่นพอดีพอดีส่วนว่าคันทีอยู่บนหลังช้างราคาก็อย่ังเท่ากับคนหาคนหาไม่ในควรอยู่กลางนตามป้องทับเชียง ราคาสิบสีแสบนบาทเงินไทยเงินไทยทั้งประดับดบอกไว้พอปลามโปรดจำเอา สิม้วนเอันพาาแก่งกระจังท้าวจิตกะสัญญาญาให้ n h ัง nhap t h a หวังนิพพานสูงชาติสิมาพายนาบายที่ไหวนำญาติโยม ให้สอมรับดอกเกศมามันมาบัดทานาจิตตานเลวันเปียวทานเงกองทจังสาด้วงหาท่นทอดสายเป็นว่าบา แปลงวิธีมักคาเชี่ยวด้เทียวเมืองเมืองปาชาติมันมัทันตาได้เป็นยอดตาตาอินท่าไปลํลำนายมโยลูกสันต์ดำํำสักชีรอกเกนียดได้เหม็นเหม็นดังคนเน้อคอยเปนห่อ จีเนือเมืองสูงกันพอพูดจุนคำน้ำสาสายพ้าองค์ยอมน้ำให้คนพานได้แก้กันสงสารท่านเยกับพาลานพาลูนม็นสองร้องปอนเน ท่านพ่อพมีบนเสียได้พออแม่ใหญ่เอ้ยทามตั้งกองกลับขึ้นเมื่อกันพืชผลในแห่งนอ้เอื้อทำมาฝนฝนกันดันเองกิเขายางเจะได้พ่อยผลผ่านนิตงอาวสานพังเวท ตั้งตอดแล่าใจ<า> กับกระบ้านกลับเมืองพวงเจ้าสาบันิพไนยผ้าหมากันไปซะายเป็นพมหากรุณาที่คุณยางหล่นผลเนื้อก้าเนื้อกมอมพระองค์เอ้ยลำดับนั้นเมื่อพราม์ทั้ง8ดคนได้รับผลคืนาเคนเป็นทานจากโพธิยานองค์พระเวทพราหม์ก็ขี่ข้ามเขตจากโรงทานขี่ไปรอบสถานกรุงศรีพีสิ้นราตรีได้นานวันพราหมณ์ก็นําชัดทันตัวเงยงอนถึงนครเมืองกระลึงประชาชนคนในเมืองเกิดทราบเรื่องก็ปรีดา ูงปูปลาหมูมัดฉาปูปลาเต่าก็หายเศร้าเบิกบานใจก็มีในขาวกะละครั้งนั้นดำเนินความมาถึงตรงนี้ก็เป็นว่าจบลงซึ่งกันหิมพานเป็นกันที่สองจบลงไปประดับประดาไปด้วยพระค่าถา134ร้าพระค่าถาเอาตีคลองแลวกษาธุกามจบกันใดจังตีเด้อคุณแม่ คุณแม่ยื่นจบกันใดกระตีกันนันแต่ว่าช่วงที่พระท่านจบกันโบตีกระไดแมถตีเป็นกัเป็นกเป็นกไปหนึระอ่าคาท้าเอาอาตมาเหลี้ยวไปทางที่ตะวันขวามือบักคงกำลังฝันอยู่คุณยมเอาอีกจักสิบหานาที่นาอแม่เนาะให้ประเวทสันดอนกับพนา่งมัดซีได้สนทนาพาที่กันออกป่าออกเมืองจักหน่อยต่อไปขึนการท่านากันคุณยม การท่านาการตริยอนกล่าวถึงชาวเมืองสีพีนครหลังจากข่าวสารการทานช้างขององค์บรมพงเพศเวิสันดรแพร่สัพัดไปทั่วประเทศเขตสีพีชาวเมืองเกิดโศกีไม่พอใจองค์พระเวทยิ่งนักหนาความโศกาประดังประดาเข้ามาสู่ชาวพาราเขาทั้งหลายโกรธแค้นให้พระเวทสันดรเป็นอย่างนักเนื่องจากว่าสร้างตัวนี้เป็นสร้างผูบ้านภูเมืองพระเวชสันดร ท่านครั้งนี้บอได้ตีคลองลองป้่าให้แก้ไขฟ้าประชาชนฎลดลุจักเขาเสียอกเสียใจสลบลมแล้วลมอีกไมย์ไนเอ้ยนำตาน้องกองแผ่นดินเช่าไทยของพวกเขากะเคยคือกันได้แม่เคยเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาพุทธของพวกเข้าจำได้บออีแม่วันที่11สิงหาคมปีพุทธศักราช2518 เวลาประมาณ19บเกานาฬิกาพระธาตุพนมลมอีแม่อยู่บกไก่โบกไกเห้าปันใด น, นั่นก็คือเช่าไทยบสิอยู่ต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ สลบลมแล้วลมอีกอาตมาอายุตอนนั้นสีเปขวบหรือเก้าขวบนี่ล่ะเห็นผู้เท่าไห้น้ำถ่านพนมลมกรให้ยเป็นน้ำเพลินบพราะทราบว่าผ่าถ่านพนมเหม็นอีหยังพอบอกเคยเห็นนี่ล่ะชาวเมืองสีพี่ก็เสียอกเสียใจเฉกเช่นเดียวกันกับชาวไทยในยุคนั้นสมัยนั้นเขาทั้งหลายจึงไปฟ้องร้องพระราชาคือพระยาบรมมศิษสนชัยพระราชบิดาของพระเวสสันดรให้ประหัรประหารชีวิตของพระเวสสันดรให้สวรรคตไปเสียพระองค์ก็บอกมาชาวเมืองเวสสันดรยึดเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวสี่า กระตายสิงายกกยังเข้าสิคอเนรเทศแท่นการประหารชีวิตพวกเจ้าสิวาจังไรชาวเมืองก็พออกพอใจกลับคืนสู่บ้านของตนเองเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระยาบรมสีสนชยัยจึงใช้ให้ใ น, ใ น, านายนักการไปการาบทูลต่อพระเวสสันดรว่าให้ออกจากพระนครโทษมีเพราะทำทานช้างพระเวสสันดรจึงบอกกับในายนักการออกไปว่าอีกสามวันเราถึงจะออกไป เพราะเรามีภารกิจที่จะต้องทำวันที่หนึ่งจะได้ทำสัตตสะดบมหาทานสิ่งของอันเป็นส่วนตัวจะนำมาทานจนหมดราตีที่สององลงมาจะลาลูกแก้วเมียขวันพระนางมัสีชาลีกันหาราตีที่สมวันที่สจะได้กราบลาพยาบรมมสีสนชัยนาย น, นักการผู้รับใช้ผู้จงรักพักดีเอย๋ยจงไปกราบทูลแด บ, บิดาของเราด้วยเถิดนายนักการไปกราบทูลพยาบร ม, มสีสนชยัย เมื่อพระองค์ทราบเหตุผลของพระเวทก็อนุญาตไท้เวชันดอนอยู่ในนครตามเจตนาประสงค์ก็มีนากาละครั้งนั้นเวชันดอนฟังสุนทรในนาการมาไขขานบอกเรื่องราวดวงจิดขาวผ่องดังสำลีถึงจะมีใครมาขอหน่อในเนตรทั้งสองดวงก็จะลวงให้เป็นทานก็จะสารทุกสิ่งอันจัดสรรมาอันคนเรามันหนีกรรมไปไม่ได้ ป้องกันไว้ความนินทาประชาสรรว่าจะทำให้สำเร็จทุกเขตวันคนเหล่านั้นแล้วแต่กรรมที่ทำมาในราตีที่หนึ่งองค์พงเพศเวสันดอนจึงได้ทำสัตตะมหาทานจนเป็นที่เปรมปรีดาพระไทยราตีสองลองลงมาเวลาเช้าขึ้นไปเล่าความจริงมิ่งสมนบอกมัสสีให้นางทราบจะเจียงงอนพี่จจรลาไปไม่กลับมา รับใดดีมิ่งมัสีฝังเอาไว้พระพี่ไซมีกรรมจำจหนี้อยู่ในวังนี้ละนองมัสีพร้อมบุตรีและบุตรรามพี่ลาไปเมื่อพระเวสสันดรกล่าวจบก็นั่งดนตยีภาพอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็มีนกาละครั้งนานสมเด็จพระนางมัสีสีวรกัญญา ได้สดับสารพระสะดาก่าววาจาในวันนั้นวันพระไทยใจกังถาจึงทูลว่าพระสะดาเจ้าขา่เอ๋คำไม่เคยช่างพูดได้เรื่องอันใดบังเกิดนี้ขอคุณพี่จงแจ้งจาให้กระหม่อมฉันได้รู้ว่าเป็นโทษจริงสิ่งอันใดใครประมาหรือนินท่าอียากาประชาชนุ้นจังใดนินท้าประพี เป็นยังคืนมาเมื่อนี่เหลียวบังสีสันนามาคือมนคือหมองมาคือมนคือเสาร์แทบพระเจาา้าค่ามีเหตุหอนประกันแท้สิ่งใดสิมาว้ามาจากพระนองนั่งมาสซี่เรืองอันใดพระพีคือมันเป็นจ้าเศษดอกมัซซีเอ้ยเป็นจ้าไหนพระเจาา้าค่ามันมีเหตุเหตุมันมีคือว่าวานันว่นนี่พีใดทําท่านสร้างมงค้นตัวประเสริฐ เช่าเมืองเกิดเดือดหลอนเครื่องขอนให้หางเมืองพระเจ้าพอเพลินสาบเรืองเลื่อยสิไลพชีชายหนีพีหวังดีน้่นั่งบัดหางไกลไล่บานความผิดพานบ่เคยพอให้นั่งล่ออยู่ปาศาสเดี๋ยวลาวาดสนาพีหน่อยซิวอยดันเขาปลาไพพีวาสิมัสัังมาลาเจ้าสนอกมัซีสามีท่าแต่นายอุบายนี้ กระมอมฉันเข้าใจดีแต่จะอยู่ในบุรีให้ผัวหนีเข้าป่าไพรเป็นไม่ได้กระมอมฉันเป็นไม่อยู่จะขอเป็นคู่ไปตามผัวทั้งทุนหัวสองดาราคือบุตรราพ่อชาลีทั้งบุตรีแม่กันหาจะพาไปอยู่ในเดนดงภูระหงดงรกชัดฉันมย่อมผัดภากจากพระสวามีดอกพผี เท่าทีพีพงเพศเวสันอนบอกเบาวามานันประนองนางมะซี่ก็เข้าใจกันเมื่อสุยังสุญญแนลลลาพภีแต่ว่าพปพงเพศเวสันนนันสิมาสังมาลาพระนางมะซี่หนีเขาโคกเขาป่าไปนันสีหนีเขาโคกเขาปลาไปตั้งแต่เพียงคูู้เดียวนันเป็นจังไหกระตมสังตัวรพระเจ้าคา ขั้นภะพีไปแล้วมัซี่นั่งสยู่กับไผ่เป็นจากไหนมัซี่กับบ่ให้พะพีไปแต่งแตะเพียงคูู้เดียวดอกภพีมัซี่เอ้ยกรรมที่มันเกิดขึ้นอยู่เดี่ยนี้เหตุที่มันมีอยู่เดี่ยวนี้พี่เป็นคนเหตุพี่เป็นคนทำเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าบ่ได้เหตุเจ้าบ่ได้เหตเจ้าสิมาเกี่ยวของให้หมองมัวใส่ตัวเหตุอย่างคำ พีบอไหมาส้วนเจ้าพีมาสั่งมาลาเจ้าพีสิมาบอกให้เจ้านอยู่ในเวียงในวังน้าปูน้ายาอายโกอายกาเลียง ล, ลูกของเฮาทั้งสองคนใ ห, ใหญ่ ห, หสูงแถวชาลีนั่งกันหาพีพอไหวาสิมาพาเจ้าไปน้าเดเดเนีนางเป็นเจ้าแหลกกะตำซางพระเพื่อเม่นพีพอไหมาซี่ไ ป, ไ, ป ไ, ปไปน้ากะตามำซาง มาซีกสิเขาฟอเขาโกเขาปลาไปน้าพระพีปุ่นลับพระเจ้าข่าตั้งแต่กีพี่ยั้งว่ามั่งมั่งในนี้พีพี่ไปฟังค่าไผ่สั่งสีไรลืมนองพี่ไปฟังค่าสมสิเบิดเกลือมือลอยหอพี่ไปฟังข้านําออกปอมันหากไหลมายุดจนจนทิเสียสู้มากันตัวพระพีเป็นทุกข์ป่าไในกสิมน้ําสนกสิพาปลาขี่อ้นตันนากสิถาง แมนซีมีเสือมีสังอยู่กลางไพกระตามสางมัสซีนั่งม <|ja|> ัดซหันสินกระเที่ยวกินเข่าไส้เสือเข่าใส้สางเข่าก้อนผัวปุ่นตัวพระพีสาวุยะสาวุยปัญันมัดซีอันเว้าอยู่เดียวนี้เจ้าบอท่านเคยเห็นเจ้าบอท่านไปสัมผัสความถูกความยากซื้อเจ้ามีความเคยชินกับการนอนแบบสบายการจินแบบสบาย มีนั่งสนมกลมมาว่างเป็นผู้จัดหามไหายคันเข่าในเขาวงกตบันพดจิรีน้ำผีย่ามนอนเจ้ากระสิเดหาหักใบตองใหม่มาฮ้องก่อนที่เจ้าสินอนย่ามเจ้าสินมหมอนสิหนุนหัวเจ้าก็ต้องได้หาถอนใหม่หรือหนุนแขนเจ้าของเองเจ้าสิไปน้ำไอ์บอสมควรดอกพีวาให้พี่ไปผู้เดียวทลามาซี่นองยาเสจจ่าถอดคำ จังไหนก็ตามสางพระพีเอ๋ยเมียนมาพีสิวะจะพลอยคำพันคำกระตามสางมาซีนั่งนันกรสิบ๊อบให้พระพี่ไปตั้งถ้าเพียงผู้เดียวดอกถึงจังไหนก็ตามสางมาซีกระสิขอเป็นดุมอุ้มลุมไปน้าพี่จังสันลับพระพี่ให้มาซีไปน้าแน่หืมบัดเน่ จังหวัเที่ฉันเียมาโบรเณทาวน์สังสอท่านไปแล้วท่านไปแล้วเพื่ดรอให้จอจอจากจังวัดทิ่ดาว หกรอมจอมเียเงาไอ้เ้าาต้องสอดเลื้ผวกนอวังปองสางบ้องข้นน้ำไอ เป็นเรียนผูหล่อนดคนหอยเขาเรียงซ้อนบ่องไปน้ำตายการเดินไปมันลำบากเอ้ยสาดผู้น้อนเพื่อไม่ขันมอสิมพอ ถึงยาำกินขันวานฬกินพูนขันมาไม่กอยอยู่ไหนปางวันศิขันนาลาวันแล้วสิวันไปนักพิคหามลองไว้พิคหามลองไว้ให้นัู่กันหมอปลา โอ้โอ้โอ้โอ้ยสุว่าการเดินทางมันยาเช่นแสนสนเออันวันยิ่งผ่านผัวมีนันดอกสันตากระสีจันทร์คงเกี่ยวผี้อยสีหอมจอย สีห์จอยจอยใจนัทธาดวงวันไหวยิ่งได้เดินลงตาสวน้นยมทพยทั้งยือมยิ่งสิตีนยินเจ้าเมื่อสนนะเจ้ามเดือดร้อนยังถามังว่าจำใครมาคอ đang Wha... ja, bài... ta ta... ta... t r u a nắm ai bay, ta trâu cám voi chặt kia, cám v o chặt kia. ำสัญญาจงเซปูนีจ่จงเม่นกลามเลยและเอ็นเขาใหญ่ล้ำเดินไตไปหนาเป็นเวลาหลายวันคอยลับ้างทางายึ่มาหาหนาที่น้ำประมาณใกลสุดขีดเอ็นแต่ น, น้าจิตทันตันนาเมกระแสลด เ, เลรเเียบาย ต, ตามฟังกระแสชู วนกลับไปกลับมาว่าสิขึ้นเมื่อมาหัน เ, เปลี่ยนเวลานันลำเส้นละกันแต่พัมจมมูมจะคงเขตนามปัดยังหนาวดอก ง, งานหองเอหน่อยนึงตกหอดส่งผ่านดงดานพัลลุสีองค์มูนี้เพี้ยนพูดศาสตร์สิลเนื้อคาง วงปลลือสีสังสินท่านอยู่กลางป่าไว้มันตัดขาดแ้วขาดแ้วบอมีช่องเรกควงนั่งน้ำขังทานั้นได้ีนน้ำ่าอาจิตตาบำเป็นเพี้ยนตมานายอดรกคูณรกไกรเก มาหน้าถึงแล้ววนเวียนก้มกาบบอกให้ท่านทราบอพ่อรูปผู้สวรรบอกว่าข้านี่นั่นเลยเน่าอยู่เกียดสีผีกรุงสุนชัยยินดีห้ดุงเล่นลงหม่ให้มาชื่นข้นเอาไตสันนอพระเจ้าวิตรีจันกับเกียดกวงเกตยกวงเมืองบ้านเตานาคอ ภาคออนนำพอพลาลือเสียงองค์นี้เลยหลงกะเล็บลมพามทองอลจังเลยเอาผลไม้หัวมันมาปั่นแบ่งจัดแจงขีภักไทยพามเลอยู่สหายแม่ใหญ่เอื้นเสนอกันหมดทั้งไทยในหมวดจุนลาปู แต่ภาพมันเดินอดเปลือเสียอันมีสามสิบหาราคาถาบนบอกเดือมือญาดีนองคันตีของ ไปแล้วมหาพุทธที่ได้ต่อมหาพุทธเป็นป่าไม้ดอกข้างเขาดอกปาเขาภาพมันลูกแต่เศ่าได้ล่าจากปลาลือีองค์ุณีกัเพี้ยนโพสัสต์สินกัเนาทางกันมหาพุทธวันนี้ มันกะบอมีอย่างลายดอกแม่ไงก้าวถึงพามจู่จกมันสมปากระสมนกสมดงซื่อถือดอกอีตาพามสมปาสมนกสมดงมันก็เอ่ยขึ้นว่าในเขาคันธมาตลุกชาติเป็นพันเป็นพันมีไม่จวงไม่จันเกาะคันตุงตียงตุงเตีอัตตาแบกไม่เสงอัตาแบกแท่งต้นดอนต้นแข็งจันแดงมามังอัตาใครไม่รู้ประโยชน์ลุกขาเก็ ไปทำยาแก้หิดแก่กาบแก้ไข่แก้ลาป่าเจ็ดทองวิงเวียนต่อจากนั้นก็ใ้เข่าไหลเล้าเข่าป้าไม้สิเดินเข่าดอกปานานเออ นนั้นได้ยินเสียงไก่ฝ่าแกมป่ากะท่าพันนะสุ้มกระดันงาหอมตอกไก่ย่อมแหลมละเลงลุงเศราในเขาเกาลั่นนะตามห้อมห่วยอันสวยแท้ละเลียว จังว่าผลสมเปียยวหวานซึนกระหึ่มผมนะผมมุทมสาขาปาปนากะแนวไม่เห็นะอีตาชีชู้จกกระพัมพอยยมยายนอนอยู่น้ำเพลือสีขึ้นนันตัวเพลือสีว่าเป็นทูตของพยาบรมสีสนชัชสิไปเชิญพระเวสสันดนขึ้นสู่บานสู่เมืองพลือสีกะ หลงกลของอีตาชื่อชุดจกับพามให้นอนยุหันพเนยไมยายลุงสร้างสว่างตายยกมือขึ้นวันพาผมจะขอลานาคาลัผมจะขอลานาคาลับไพ่ในยามตูงเตียงตูงเตีงเดินเข่าป่าไพยพฤื้อศรีก็บอกผลทังบอกว่าเออผ้าเอ้ยค่อยไปคอยมาเด้อธนราชทูตทั้งนั้นมันลําบากลําบนทา้งนั้นเป็นทั้งเข่าดงเล่าแสนเรามิตรพีเปียรเป่าพามเ่าจงระว่างอีตาพามเดินไปทั้งที่พฤืศรีบอกพเนยไมยาย ก็ได้จมไปน้ำท่างทำเฮียมห้อนไปน้ำท่างอุ้ยหูว่าเอาเมียสาวซำหน่อยมันลำบากลำบนแบบนี้ลูจังสีบอเอาดีกัวเอาเงินสี่่อยบาทจากเชี่ยวคองเจ้าคอง แล้วก็ไปหาขออยู่ขอกินตามกำตามเว้นซ้ำตายสีดีกลัวการเอาเมียสาวสัน้อยเขาใส่ไปยังก็ต้องได้ไปตามคำบัญชาการของเขาต้องเอาใจเขาหูจังสี่จ้างกระบอกเอาพอยายบ้านเฮาคือกันแล้วเนาะขั้นบันได้เมียสาวสัมโนยไผ่สีบอโอเก่าใจแหละอีแม่เนาะพอใหา่พอยา่นา่งอยากกินกุงตัวย้อยยุกคนน้าโขงบนน่ะสีบอปีนลงไปมุดลงไปเอาให้เขายุติล้วเนาะเออนี่ก็คือกันอีต่อพามมีความจําเป็นจําใจเดินทางไปตามคําบัญชาการของนางอมิตา อาให้ไปขอสองกัรหาชาลีสิหวันสิบหราตีหนึ่งเดือนสองเดือนสเดือนผ่านไปเขาหอดพูดจนมาไปเจอเจออสมบทของพเวชสันดอนและพระนางมัตสีมันเป็นตอนย่างมือแลงพอดีพ่อย่ไม่ย้ย ขั่นแามือแล้งจังสี่ไปขอการหากับชาลีพนั่งมัซี่อยู่ในอาสมบทจังพระบดายจิงแท่แน่นอนศาสตร์ประใจกุญย์นี่ห่วงแหนขี่ตะนีติดในบวงโลกกีบ่ออาถท่านลูกได้เอาหาดังประสงค์ในคนนี่ในขึ้นนี่เล่าคนนอนวงกดเน่งนอนในทำพ่อว่าแล้วถิ่มยามบังม้อนนอนอยู่ในคูหากึงหินอาถรรเสียงพึ่งพ่อม่ำเถ่าห้วยมลมันจมดังโกเกกเสียงกองถั่วผู้สัตว์ยุบไปไกลแถวนั้นกระแตกตื่นปีนผาได้ยิ่นขามนาโกนมูะหนาตนเต็นกระจังว่ามีหมา เสียงโกนดังอิมลึกคึกขื้นดิ้นฝ่าสันสะเทือนไม่ใหญ่เอ๋ยพ่ามโกรนแต่ละทางก้อนหินติปิดปากทำเงืงเพิเว็บเพิเว็บเพิเว็บอิเมคนกาลากีนี้นี่หลังมืออื่นเสาร์ช่งสิเป็คอซองการหาชาลี่จากชีไพเรือสีเวสต์ันดอรดำเนินความมาถึงตรงนี้เป็นอาวุธจบลงซึ่งกันมหาพ้นซึ่งปนัดปนาไปด้วยพระคาถา80พระคาถามหาปะพังยานิที่ต่างสาธุต่อไปเป็นการกุมานก้าวถึงพระนางมัซซี่ฝันนิมนต์ข้น้อย บัดนี้ขึนกันกูมันใหญ่ใหญ่กันกูมันตนในมีอยู่หนึ่งรอยหนึ่งราคาถากกูมันตนและกูมันปลายกันกูมันในยอนกล่าวมาจากสยยอนกล่าวจากพระนางมาซี่นอนในขึ้นนั้นเกิดสุบินในเม็ดฝันแม่ใหญ่ขึ้นเดียวกันกับพ่อใหญ่พามชูดชกนอนอยู่ในคู่หาคืนหินมาอัถาปากทำเอาไว้น <le> <und> ั่นแหะแม่ใหญ่ ขึ้นเดียวกันมาสีหลามาสีนั่งสิฟันวายเจนนันอัตตมาสิเดนเมิ น, นบุพเพประโยชนในนาทีของตนสืบต่อไปบัดเน นมามขามถึงเกต ด, ดอกเกดเดือนมาตำพีพ่อนถือศีลอยู่ทิ้งวงกอดโกง ด, ด, ดวงมนุษย์โซได้มาคาไรปราสาทบอกขยันย้อนยานม่านกาธิภาฟัน ทุกมือนั้นต้องเลื่อนลันเอิญาสะแวงหาก่อยมานเปลือกขนปลาหลากมืออนึงตาวันไดแสงไอดับมอดพระจันทร์สอด่องเปื่กไฟเตยดอกบกบัง เลี้ยห็นเวกักลังหลุดจานังอาสาวะผู้บ่มีทรรมาจิเลศเผาเดือใจอ่อนมาสีเอาบุตรน้อยทั้งสองเดือดอก พระนุ่มก่อนฮวนทุงส so ินสืบสร้างเวไทยอ่างแม่นพึ่งพานเสียงลุมพัดสู่ซาสาบัดปานาสังหฮอนโนมัวโลุงไปสะเด็จดื่มเต็มเปื่ว่าตัวเปิ่ลล้างลายอันตราย สาลว่าสอดซอนหงสติลกเหวี่ยงห่วงออนลายหากานสิฮ่วงอู๋กะเสียงฝ้าบ่มียอง กระบองดูบูดียากทีเด็กน้อนเนี่พูดตามจริงลังเข้ามาหนางเล่าบรรลุสองนางสำบูมสติของกำมัดานอันไหนอันไหนไกระบองเตยดอก ม, ดมอสแดงมึงไปใส่กะบโเจี มาไปแจงหลอกล้มตีคือจังมีโค้ดก่อกองชาวบานตั้งหลาคราดดูหวนทิดตั้งผวัาลาจนเวลาเด็กเดินมตาบวมมือหลับคาเตงข้าหน่อยหนึ่งดอกเกิดล้างฝันวานาะ บุกช้างเบ่งไล่ดอกไจ่ายแลนี้ตายแบบมีชายรังกายดำตามิหมองมากำคมมาเสียไหวตุกกะใจดอกห้อง กายตนโตตฟันแกาคือดามเม็นยักษ์มันมาอสีน้ำเงินยานขอนานกว่า โ่ไข่ขั้มปีตต่อมาสีดอกสั่งนานจะพระขันดวงก า, มาเมจต่าสองลูกขู่สามือเล้วงัดง่าใจลอยดอกแลนีฝันแต่เพียงตนีสะดุ้งตื่นต้นลูกไม่ใหญ่ สิผูกกุมาญาณมันนี่ทั้งเจลูกไฟเจก้องไฟหาจับโดนฟื้นมาแล้วอมเป้าบายกระบอกควงกี่เท่าว่าว่ไฟสิลุกได้ใจเต็นสาเม่นจร ถ้าหากเราอยู่นิ่งบอกเบืบอกคนไในว่าจากนี้เว้นไปสิไรน้ำจำจ้องงูพ่อปองตะวันเยี่ยมเตรียมตัวทั้งยานสันคณะนั้นดวงจันทร์ปัดแดงคือจังเสาะจังเสาะดวนเโาดอกจอกหอนใจมาสียหงห้อน กนอนอันก็ชีวิตเดินแต่จำเรื่องดูบกลูกลุ้นสองหนขั้นสต่คอยใจเอนทั้งสอง ดอกเป็นหมู่โอป้องญานลูกดอกทั้งคู่ตื่นตานอดอ ด, อดห่วงมาสีน้อง ไ, ไ, ได้คอยย้อนเอะน้องได้พัดพาควางจากทั้งแทนมาเอาเพลงไปสิท้ายให้เบาใจดอกเรื่องคำฝันลายเป็นหรือตา ดีฟูฟูจักฟันดีหรือฟันตัวมาสิน้ำมงอดสูญายเหมือนอย่างอื่ถึงอสมบูุเสร็จพี่ดอกเียหูอประตูสามทีปาบตุ้ยสงัดเอเียงพี่จิงกัวอมาสน Đọc r mà xin lỗi p h m t g g i สิบบ่วงบ่อท้อบ่วงบาทของในพานขั้นเกกันสิบกันบอทอกันสุลาขั้นเก้าค่าสิบ่บอทอค่าดอกเงินหวงขั้นเกหวงสิบห่วงบ่อทอห่วเมียอยขันเก้คอยสิบคอยบ่อทอคอยพนขั้นเก้ามาสิบมากรมอ วัขันเก่ามัดสิบมาบอทอมดไทยนาและไพหลางขันเก่าส่งสีบสางบอทอพอยยมยยคุ้มวัดสุมังคาลาสังให้ลูกสะไพเอน ไม่สิไม่บ่อท้อไม่จวงจันสิเออเเออเอ้ันเาฟันสิันบ่อท้อมัดสิฟันขึ้นนี้มัดสิฟันขึนนี้สิฟันนี่มาด้วยชอบจังอาขอกองของขันเชนต้อก่บ่มี ตาทเอ้ยเฝ้าไปหาลูกตอนน่อยท่านเป็นตื่นเงินมาเศ้าบอกเห็นแม่กันเจมจอดเสียหาย เป็นวังสองลาคือกาเสือและกาสาสีนาดอกมุนมองเลียวเห็นฟ้าปดพองบิงไล่ดอกผู้มีนนกเลินตกลงตายเน่าเหม็นดอกตรงนากลับก่อนหน้าวันนี้โงบอดี ต้นเปาเจียงโบเหลือหางเมนหมูม no like ันเลเตยยืนชิตเดือยอยู่หานตั้งหลายเราดอกเมาเมืนฝืนใจไปย่านสามีและลูกต้นสียวแดง อดการเพื่อทวันของกระตาเสียมกระหลุดจากบากกระตาเมื่อหลุดแล้วกิงคือคนถิ่นดอกแกนีลัลั่งนี่อย่างตั้งแต่จีบบอกเอ้ยผมพันประสบผล หาหิวแก้วอยากกินพลมากไม่กันสองทางระวังเจ็บให้ครั้นดูบ่าแยเมื่อยพ่อห้หิวแม่ยายมัดซีเลย ว่าจางว่าอยู่สูงเอาอายไพสีเปล่นขั้นเอาได้เฟืองไฟตุนใหญ่ใหญ่ขอสองก้อนอ่อยยาลังลาวม็นแอววอนเล้วพาลู หอน่อยหนึ่งบ่ทันนานเหลือผ้าสองก่มานกันยางเหลนอตีนหอนกเขาเมันมาหอเสียงโอ้ยบ่จังปานกเขาคัวกันเียาหออูนี่สิจังใด ภากันลอดป่าไม่หมดป่าไรกันคุ่มน้ำถึงเวลายานอนเมีนผู้ใดจิตโถนใดเห็นากันหาไปไม่กันมาปูต่างเสื้อเข้าเข้าไดนอนป่าไม่กันยุ่งเหยินสิ่ตจตอมน้อยซาถึงเขตผูเขาซื่อสวัตค์ กังคอยป็น ก่อนามตรงดอนถึงเ่านาที่ท่านเทียมทางซึ่งุติมาลาคำที่แม่นำกันอิจลามันก่อนเห็นพอเตะคมตาดแล้วถึงเขาใหญ่ดอกกันชานบอนเป็นผู้เขาซันคอยเอาวังยองยยู่น้อยถ้าไม่บานขันเมืองคู อุนยุกาง สืบทุนวิถีกษัตริย์พระยงบกไก่คำระวังเจตตลาดบนเบืองฐานใหญ่ของแฟรมตอนลับดีดอกแข็งแรงโมประชาชาวอุมาทำเหตุการณ์จนหมดสิ้นสิไปทุนขอยังทูดฟังเวทบ่กันเอาเกือยละลํามันล่วงไป ผ้าเมเข่าปาไม้ขันธรรมาทเรื่องเดิมแม่ยายลายลื่นบ่อจอดเศร้าจนอิหลาถึงอนุมาณศาสีนัที่บอกหมดจาลินจิ้นกวางเป็นสามวันใหญ่สูงตัน จังในมิระมิดเป็นอาสมไว้ในเขาองกอดเพื่อองสงสารพาวิทย์เดินทั้งข้อพาวิทย์เดินทั้งข้อเห็นศาลาผู้ใดฝาบอกแกนั่งนั่งนัดลาเฮาสีไดเหม็นอยู่เสา บัดนี้คอยแล่้เจ้ามอสมเสพกรรมมาบุญห้องจงวังทำบุญเพื่อนิพพานกันภายนาเอาให้สารกวางคนละหลังเออเดอกตังต พ้าเปือกไม่กันทรงสั่งสีบสิ้นนะรักษาไว้ตลอดสินจูชีวิตกันปิดโปองย่ำกัางคืนนอนง่วงยาได้มาอา้ไม่เอาโพวกทยางพูนคุณธรรมดอกน้ำกอม เอรับทาพรอมกันย่อมได้สูบปักกาญนนับแต่พาดผาปานกันไกจากสีพีนับแต่พัดผาปานกันไกจากสีีได้เกตเดือนพอดีสอดพมิไปตอมาที่นู น้องหาว่ามันเล็กปล่อยเปลือกเนื้อผลมากไม่ทันมาเลี้ยงพลักษีมาตทามทำจังสีถูกสิ่งยางมากตระตี เออเเอน่าอี่ีวงอุดยูสามใบดอกเย็นเนืองฮาวมันมาเรียงปรลัดสีกับลูกบอลบ่มีคำสิเดือดหลอนประกันเ่าสิ่งใด ถ้านขันสองลอยเก่าสิเฝ้าเล่นให้เหลี่ยพัวันนาประเวทหาสิจในลัววงปูมนี้ขอเส้าที่ยาเฝ้าอยู่สู้ศอกกันสี่ได้ต่อถ้านาขันสองลอยเก่าวันนาประเวทหาสิจเว้าจอจอ O <laughs> y การวันนับพระเวทและการท่านักขันสองการตรวบร่วมใช้กันคุณโยมพ่อสิจับเนื้อไนใจความได้วานนับตแต่พระเวทสันดอนออกจากนาครสีพีมาคนดีผีคุมผ่านบ้านใดเมืองใดมิแต่คนเชื่อคนเชิญในยู่พักอยู่เศร้าคุณโยมผ่านบ้านเจตตลาดเมืองเจตตลาดพญาเจตตลาดเชื่อเชื่อในเวทสันดอนกพาพะนังมัตซี่ชาลีกันหา ย, ยาสิไปเท้อเขาขชิลิวงกดมันลําบากนําบนลูกเอ้ย อยู่น้ำพอนี่ละพญาเจตลาดเป็นเสียวของพญาบรมมาศีสนชัยพอสิงห์บานยกเมืองให้คล่องเคิงหนึ่งเดอร์เวทสันดอนบ่ต้องไปในเขาชิลีวงกดดอกพอเวทสันดอนมีจิตใจแน่วแน่แล้วก็บรรับคําเสนอของพญาเจตรลาดแม่แต่ประการใดเพิ่นก็เลยมอบน้าผ่านเจตบุตรออกติดตาม เป็นอารักขาไปรักษาประตูทางเขตเข่าสูเข่าขิ้ริ่วงกดอันนี้คือที่ไปที่มาของนายพานเจตบุตรพ่อใหญ่แม่ใหญ่เกิดจากเมืองเกตตราชต์เองเพราะเวชสั้นดอนสั่งสอนพนังมัตซีบอกว่าลานางเอ้ยนับแตงแต่มือนีเฮาสิผสมเสพกรรมมาคุณให้พักอาสมบทศาราคนละหลังเดานา่งเด้อมีอยังกินไปตามนั้นแหละมีความสุขใจคุณโยมเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงวันท้อไปเรียกว่าคนเฮามีใจดีเสียยางอาหารการกินมันป่ะจําเป็นมากมายขอให้จิตใจถู ต่องกองดองกันจบลงไปกันวันณภเวทและการท่านการต่อไปเป็นการชูโชคุณโยมลามดาพระสาธมมัทิสนาจากกันมาตั้งแต่ทาสพ กันเข้าัการะเจ้าสาธุการยิมม่าทนกันกวงพังเก่าทวงวัดสะจันขนาขันบทที่นำไต่หำโขกชนทางไลได้ยินแล้วเป็นผู้ของหำให้ เอ็ดว่า eh สี eh asi, ทอนไทยพัดพากจากบุรีวันรณประเวณีสีทอนท่าเา วิเยหุนทางไกลเาาโยเทวดาโปรตกาลุนาย่อมักคาให้โหดพ่อมาหอดเขาชีริลวงโปดท่านก่อมาลาลดพดไว้อย่างเพรแล้วทรงพาวิเศษบวชเป็นรัตสิแพไมตรีทุคํำเ้า หอมมาหอเท่าอันหนึ่งสือว่าสู้สกกละพามกาลึงกาลเททุนวิตตภามามวสีสุสัโกนามโสพามานุปุ拉萨ธาโอวานดูลาสัพปุริสะทังลาย นอราชนหญิงชายฟุ่มใดคขันมานั่งฟังธรรมเงาหน้นเพื่อนว่าตายไปแล้วสิได้เกิดไปเป็นลกลกเขานักปราจ้าไ้จุงกิจาระน้ำปุระสาท้าววา ดูลาสักบุริษัทางไลยนอราชนหญิงชายฟุงใดขันมานั่งฟังธรรมอิิงเศาหรือว่าอิิงฟาตายไปแล้วสิได้เกิดไปเป็นกับกับแก่นแม้นแท้แท้ให้คอยพิจารานุปุาสาทวา ดูลาสักปุริสะทางไลายนอราชนหญิงชายฟุ่ใดพันมานั่งฟังธรรมเขียวมากตายไปแล้วสิได้เกิดไปเป็นละรุงสีน้อยคิดค่อยคอยให้ค่อยพิจารณานุปสาทาวา ดูลาสับกุลิะทางลายนอราชนหญิงชายุูงใดคันมานั่งฟังรมสุปยาตายไปแล้วสิได้เกิดไปเป็นเท่าแก่รุ่งสีน้ยมนาน้มนาเอื้อในตอนนี้โยมพ่อโยมแม่ สิสงสัยวาพระคุณเจ้ามานั่งเทศบนธรรมาทนั่งเคี่ยวหมากนั่งสูบยาบนธรรมาทกินกะทิ้งแดงบนธรรมาทตายไปแล้วสิไปเกิดเป็นยังลวนายุนา อันนี้ตามผูกตามมาตามล้ําตามใบลานอันเก่าเเคลื่อนเว้าเอาไว้ขันพระคุณเจ้ามานั่งเทศบนธรรมตนั่งเอา้อนนั่งเกี่ยวมากนั่งสูบยาบนธรรมะเคล่อนบอกว่าตายไปแล้วบ่เป็นยัง ฮอดอหนะเออหมากและผู้คลองสู้กันเขี้ยวเขาและน้ำกระของสู้กันเกลียนนะฉันรากหยอกเจ้าเนนะก็ลออใจเจ้าเบื้งนันสีเย็นจังน้ำหรือสีหอนดอกดังไฟเขี้ยวไปโนดสู้ไปโนดอีแม่เออินนะเออ บัปนี้กับเป็นกันหลอกพิหาเทศนาเฝ้าสู้ดูเป็นกันลึกล่ำมันทำยิ่งกว่าสู่ก่อนนะก้าวถึงพิมพกะล่อนอับปะละภาคผลเป็นคนจนแต่รวยเงินบ่อแห่งไข่ผ่านเฮียงแต่หาขอหวานขอท้ามแจกจ้ายทั้งประหยัดตานีหลายบ่มีไผ่สิท่อเท่าหือท่อเท่ากับผ้า เป่าดอกเด็ดีินะอีตาชีอชูจบกับห้ามเ่อใหญ่ไม่ใหญ่เกิดมาไรยาดขาดมิดยาดสนิทมิดสหายแม่เตะคนเดียวบ่มาไกลมาไกลเกิดมาพ่อแม่กระตายเบิดตไปอาศัยพี่น้องปองไปพี่น้องปองไปกระตาย เหตุดังนั้นบ่มีมองพักบ่มีมองเศร้าไปอาศัยวัดว่าศาสนาผส์องค์เจ้าเกิดแตกสานาโมเป็นสังขเภทอีตาพามจึงบ่มีมองยูคนบ่มีวิชาความรู้บ่มีผีบ่มีนองจักสีหายยูหากินแนวด้ดีในที่สุดก็เลยหาขอท่านขอตอนแรกกะอยากอายขอไปขอมากกะจักติดนิสัยพอเป็นงานเบาๆหาง่าย อีตาภาพขอบานทุนนว์ติดกระเมืองกระลึงขลาดบานเกิดเมืองนอนได้เงินสี่อยบาทจึงเอาไปฝากไปกับเซียวของเจ้าของบัดนี้ใกล้ออกหาขอท่านต่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ขอไปทัวสารทิตสิได้หรือบ่ได้ก็ขืนโยกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ช่าคุมวัดสีสุมังมุกดาหารนี่แหละอีแม่สีมานพ่อโยบานทุนนวีตบ่นี่ น, นี่ตัวของคอยนะก<ต>็คือพามอยู่ใน ขอแพ้อีกตำลบพอได้ดอกตุ้มกาฬไปเมืองลาวขอผ้าไปพม่าดอกขอขวนไปเมืองยวนขอรังไปฝาลังดอกขอเรือไปละสเซียขอแก้วไปเมืองแก้วขอพินไปเมืองจีนขอคํามาพอมีตาภา เข้ามาสู่เมืองไทยไปนายองันขอวีไปลบบุรีขอไก่ไปเชียงใหม่ขอสานนะไปคู่ราดดอกขอหมอนไปยาสุธรขอกระบองมาไต่หนะไปหอยสีเชียงใหม่ขอสดุนดอกกับแขไปอำเภอชุม แคขอกระจกทำแว่นฟาดมาเมืองขอนแก่นสีขอพิกดอกทอปูนนะเอาฟาดมาเมืองขอนแก่นสีขอเอาผ้าดอกเอาสินนะขอปลาสินสีขอไก่ดอกขอปิดท่านมาหอดสมเด็จสีขอเอาบักายนะ มาหอดหมูชีนาายสิขอเอามากมีนมะมาหอดบานเนี่ยทำใจสิขอเอาขอแล้วก็วอบอมานะ มันจึงเลยไปบานเข้าสู่เขตดินแดนวัดสีสุมังอำเภอเมืองมุกดาหารสิต้อไประเข้นี่เหนข้ามกระมาหอดแล้วให้เจ้าเลี้ยวเมืองนาฉันจิตขอดอกทำเข้าปีนจังไต่ลาพีทองผู้เพิญยูไก่ไก่เพินมาไปแล้วลับไปผู้เพิญยูไก่ไก่เพินมาไก่แล้วตีเดี๋ยวนี้ไปอยู่ใส Oh, mm -hmm. uh, oh. สีดาเหลี่ยมคือการเาวแล้วละไปผู้เพิ่นสูงแม่นเพิ่นเตี้ยแล้วละบอกะยมทานจงเก้าจานข้ามชูชกดอกปาดีขอมาไหลายปีแล้วอันของอื่นขอท่องขอข้นมข้าวต้มกะหักได้ยังไงได้อันแนี้วขามชูชกขอท่านได้จักเพื่อขอบ้านได้ก็บ่ได้น่ะเพราะ แม่ใหญ่วัดสีสุมังมุกดาหารกิใไฮเป็นตัวทานเป็นตัวย่างอีตาพามกบว่าเนี่ยวตาพามอยากได้แมีนนยังละวติแม่ใหญ่สอยอยู่พอคันบูนั้นเหลียนอยู่ก่อยคันบูนีปลดทานไหแหนเป็นอย่างนั้นนอกนาว่า กันว่าขอสอยข้อทองค้ำหยัดใส่เสียปรับแปบเป็นนี้แม่ก็ได้เนาะคุณลองพ่นหอดถอดดอกจากนิ้วก้อยใส่ทงไว้จ่อยเอ้าผ้าห้ก็ผ้เอาดอกแม่คันสิีไฮก็ผ้ติผ้เป็นยังบ้าห้ก็ผ้เอาเนาะแม่เนาะอิตาชิชูจกับพาม หลังจากที่ขอบันนอกขอคันตาซีมาบ้านพุนวีติดกระเมืองกระลึ่งก็ได้ซีลอยมาหาท่องเขตบันเฮ้ากระบดได้พ่อซีลอยดอกกี่แม่ก็เลยสิกลับไปหาท่วงศัพท์กับเซียวของเจ้าของสหายของเจ้าของเซียวของเจ้าของเนียนนะ ตอนนี้ก้าวถึงพัมชูจบมันกะกลับ้าตานมาท่วงรับจากเสียวละวาเสียวของพัมเขากระจับอัดไัยสีใจไปจนเกี่ยงเสียวต่อพัมถึงกล้าบอกว่าไปหามากะทั้งหายจนนาไผ่เสียวบ่มีสิ่งใส่ก็เลยไผ่ใส่ลูกลุ่น เกิดกันคูเอือละลุนพ่อบันพูกับหลานซื้อว่านังแล้มีตาตาลงคานได้ทดแทนว่าเงินเท่านะแกจึงจกลงลเมาตกลงเอาแล้วกับเท้าเป่าสำบาปวดขีกูนี่กะโศกแหง เลือยบาหวงนพอดแบ่งในป่อยแสงตาเวินชังง่าตาเวินเอ้ยตั้งนานเอีนานอีองกัียยงแสงกะลุงขามอีตาพ้ามเดินทางจำป่านเข้าค้ามไหลกะตายถึงข้ามีเขตข่ายกะเลยได้ดอกผักเสางนั่มิตตาวิงเงาได้มาอยู่น้ำพามแล้ววมิตตาวิงเงาเอาใจจอผัวดีนะ ข้ามวนนี้ยิงม้าบานทุนนวิตกเก้าขานวานังบ่าบอกว่าดูกายานังมิตาตากะบอท่านได้เท้าได้เท้าสร้างเอาผัวคุณแก่ผัวของนางเหล่านั้นกากาตีสาเนสาเนหาวานังขีขาดกางอันบานโบววงยิ้ม สู่อมิตตาก็บมได้ไพกดาเมียตนนะอละหนเคียงกันสนันนีังอันคุ้มมือหนึ่งนั้นนางอมิตตตาเจ้าก็ไปตักน้ำนะหญิงไทยบ้านเขาก็ไปรัดขาอมิตตตาอยู่แค้มทาเลื่องนาฬยึคนสิดึงเท้นดอกสาคุม นางมิตาตากเท่าลมจมคูเป้ากลับมาพันละนาความตุกตอบหัวควันเทา ตอแต่นั้นบันอิตาสิสุสกกะลพามเห็นนางน้ำมามีตตาห้องให้จึงทำวาสุเมื่อนั้นอินังเจ้าผู้นีอยู่ดีดีเมื่อนนันเป็นยังสังเหพศนาเคียงมาบังยังบังยังเพียสังไก่เจ้าผู้ลือผู้ลืออินังผู้ลื่อนนาหรือไวนา กูนี <aud> <an iously> ่นะมันมาทุ่มมานั่งกันย้อนคิดทอดสู่เก้าตาบอัง ขีดโซกเศร้าหรือเป็นด้วยดอกเหตุใดน้ามิตตาตาจังไตอันแจงเหตุแห่งความเป็นไปน้ว่าพามอืออ่านขี้เข็บคำตอนได้ตอดแม่งงอดก็บ่ได้ตอดกูนาหลับกูตีกูนาหลับกูดักกูนาหน้าพามนา ขันมันเป็นจังสีลาพ่อพามือ มันเป็นจังสีนาฉันที่กับเต้าบ้านบ่นั่งสายป่วยการท้ามไม่ยินจังตันตะพนโอ้ไปพองสิไปพองว่ายืนตานัองมิตาตากะสิขึ้นสู่บานึ้นต่างตั้งขัวชราห้ามบอกว่าอย่าหน้าอย่าหน้าที่นั่งเอ้ยต่อจากนี้กานตำเขาและหับน้ำนอการตำเขาและหับน้ำนะ พี่สีเต่าต่ำตานัวแล้วฟื้นพี่สีหากรรมพรมนางมิตาตาจังเป่าเห็ดจังตันบ่ได้ดอกคอใหญ่พามก้อนสี่มาน้ำเจ้าแม่เอยสั้งน้ำหลังพนาพ่อพามแม่เอยสั้งว่าตานังเอือยขันได้พัวไปแล้วจะใส่หัวเป็นผาดพวกนักาฏเพื่อน่าไบเป็นหญิงใบกาบาบแยงน่ะ นางมีตาตากจังแก่เหตุแห่งความเป็นไปใส่ไปขอพูนมาด้วยตินตังใสสาวสันดอนไทยสาวสันดอนไทยศรัทธาไทยกายิงลูกไทยหญิงเพิ่นสิ่ให้ขันเขาได้เอกเที่ยวขอเว้าว้ฟังย่างย่อย่อพัมวตอทกเพียงฟังเสียงพุ่มพุ่มจาแล้วสั้งลาคันเบี้ยแก่ ลุงจากเื่อนไปแล้วเขาสู่สีพีข้าวนครนุ่มตีใหญ่มุนนีหมอเมียนว่ามันมาเวียนควนเจ้าพระเช้าไ้เขาป้าทายตายสาบอกายยอก่อนควงตาบานอีตาพา้มย่อนยานถ้ยัอนเล่นจนถงตปว เข้าสู่ทิ้วดงดอนบอนพักระวังใบมานายพานกะน้ำใหญ่นะมาของนายพานกะน้ำใหญ่กัดถึ่งลายาบแอกน้องเท่าพังขาดหลาดหองทั้งเสียไหลมา ของมาได้ยินแล้วจังตันกป่เปล่าแลนมาดูแหนะนูขึ้นแล้วเลิ่งลูกนาวาสียิงยิ้งมึงแนบบัตรเท่อนี้เลี้งใสตะบุงตาขามเกิดเีห้าสียงว่าอย่ายิงมาทางเพียนกูเป็่ยนแล้ว สีสนใจพญายัยที่มาเชิญพระเวทเจ้าขึ้นเขาสูนครมึ่งยาเป้ารีบหล่อนล่อกอนหิมาดูมารับกูหิมาหลานยำหิภัยจนตาตางะ นายพานฟังพ้ำเบาลงข้าล้มตบพ้ำแก่นึกว่าจริงเที่ยงแพร่กะหลงวายดอกทันพามเล้วจัดแจงเขาน้ำผู้ชนะอาหารขึ้นตาพามรับประทานก็อินมหนำตำลันเยี่ยมนาเตรียมที่นอนนอนมุงไอลุงพ้ำนิทานิ่งนักลิงคอผู้ลายนักลิงคอผู้ลายกะย่อมแพรอย่างไงได้ เสนอกันหมดทั้งค่ายกันในหมวดชู่ชุกจิตติเต่าภาคธากะวามาเตียเพียงนีเนมุนอาจารย์เข็นสินสอนจุนละพุนได้สอนตอเอาละโนกันตำนี้อันตีขอนาสาธุการนันนอกนา โอนอบนิเวศชูชกจบไปแล้วจุลปุนฉันทร์สิโต ฟังเอาด้วยยมพอฟังเอาด้วยยมแม่ปาก็ไปทางนาสิเป็นเทพดอกซํารเออพ่อเมื่อสุริยกย่อยก่อยคำดอกลงเลงดอกกะแยงขึ้นนางกอมยนนนซอนเอ แต่ปัาเดินดอกบัวเลด้ยนเป่าป้าหวงป้าหวขายน้องเล่นดอกเป็นพายล่งน่าร่ำมานายังไงถึงเจ็ กรบูลุดไปถึงนเชิงเขาได้พักเศ้ายังหันเพราะเมื่อสุริยอยอขึ้นบูรพาฟังหงตาพระมงมาดนามาดนาลาธานมนอกพันดูง เศรษฐีปล่อยแต่พัมจากดอกไ ม, มยผ่านหมอผ้าไม่ตีจิตคิดบ่ลืมดอกคำบอกเองขั้นเลาไปถึงเต้าสีพี่นครลาเสิไปทูลนระบาดเจ้าระบาดเจา้าทรงรูคูสวนเดรลุ่นบอกว่าเจ้านี่นั่นด้ต้นรับดอกปลาใส กรุงสนใช้เงินดีจอบประไทยจนไหนค่วงทิ่ทานหนังวันให้เป็นเงินคำปันสังน้องป้าไม่ป้าไม่เงินที่ใส่แม่นบ่มีถ้าบ่ได้ครั้งนี้ครั้งไม่ยังมีถูง อันคุณงงั้ความดีกระแมนบ่ไล่เรื่มทิมห้ามมาณาลวงลินหลายประการแต่ก่อยเก่าทั้งที่เขาปลาไม่ไปใส่แท้ให้บอกเขานห้พันบอกแกเจ้าว่าไปทั้งทิศอุดร่็พังเบียดใส่คงจะลวนแหก าทางนั้นเป็นทางเข้าดอกบงเล่าแสนเรามีตั้งปีเป็ดปดอกพามเข้าจงระวังเพราะว่าแล้วตาพามจากลานีเดินปงไฟฉี่รีปากเียนไปเห็บกล่าวคิดเห็นดี เจนสาวนังลานังลาอมิตา ย, ยอดสางปานน้นอยนาดลานาดลาขนันกีแนบนโนมองลา เรือกองหาลากระรอบทิงใจจูจังว่าตามองดูกันในปากพนาวันคิดเย็นยอดควงจันมันแสนเศร้าลาโอ้อมิตตตาเจ้าลืมปีหรือไหล่ะคิดเย็นเข้าไปนาทำมหน้าเศร้าสุขคิดเย็นโผก่ควงควงใจลาห้อยดอกควางลัง นกอีกต้นเกอยู่หน้าใบต้น อีต่อพ่อ ใ, ใหญ่แม่ใหญ่เ อ, อ้ยข่อยโยน้าไหวสมนีฟังพามเถ่าสีก้าวจ่าย้อนกล่าวถึงอีตาชีช้ชูจกพรามมันนอนอยู่ในคู่หาธรรมพ่อ ใ, ใหญ่แม่ใหญ่โอ้แสงทอง่องเขม้าในอาธรรมาศาสตร์ซองเขม้าเข่าตาของมันง้วงเงี้ยงวงเงียดลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากพระคู่หาธรรมแม่ใหญ่เ อ, อ้ยได้เลิกงามยามดีแล้วทั่วพนังวัดี่ต้องออกไปหาผลละหมากหลากใหม่ทิ้งแทนแน่นอน ได้เวลาชัางสี่สิบเถ้าไปขอสองการหาชาลี่จากองค์บรมพาพงเพทเวทสันดรนเบอรกานาพ่อว่าแล้ว์ก็ถือได้ไม่เท่าไพายามเดินขยับเดินจิจุกจีจักเข้าสู่อาสมขององค์บรมพาพงเพทเวทซันดรเมื่อไปถึงแล้วก็กราบลงได้เบญจางข้าประดิษฐ์3ามครั้งแล้วก็ถามขึ้นไปว่าเป็นจังใดเนาะพระองค์ท่านการทีมาเน่าสร้างอยู่กลางดงพงปราย่งคอยอยู่สูขาภัยนานาหางเว้นหรือเป็นแทนจังไดเนาะพระเจ้าขา ในตอนนี้พระเวทเจ้าตานตอบ้ามไปคุณโยเอ้ยการที่เน่าในไพยู่สบายหายหอนเจ้าสัญจรมานีมีกิจอย่างขอเชิญนางพามเอ้ยอุทธกังมูนามตามแท่แท่สิกินมีไปเบิดตลอดสิ้นม้วนมากผลเสวยจังคอยเออออกกันยาสิเจงใจขา เมนไปจังใดมากจังไดล่ะผอพ้ามคือสรงเมืยสรงลาสรงเฝ้าวส่งฟังนางกินน้ำกินธาสะกอนผอพ้ามขอบพระคุณขอบพระคุณพระเจ้าค่ะที่ตอนรับป่าไสตัวของข้ามไปว่มาว่าสีดวนจีขึ้นบ้านการที่มาหาท่านหวังอยากสิขอสองกุม้านนาพระองค์ท่านสิใดบอพ่อกับกุมานสองท่านสีใดบอหรือบ่อพ่อสีใดจังใดนั่นให้ก้าวจ่าเบิ่งกอนนะพระเจ้าค่ะ พอพามเอ้ยการที่ขอหนุกหน่อยเฮ้าบาวาแนวอดแต่ค่านําสใยใจแม่มัดซี่สีฝ้าพะนา่งเดินดงดาวแสวงมันบ่ทันตารอจากข้าวสิได้บ่พ่อให้เตาม้าคอยพะนา่งมัดซีผู้เป็นแม่ของเขาจะข้าวสิได้บ่พอพามพระองค์เอ้ยเขาขึลื่อว่าท่ันศรัทธาดีกว่าสุสิง์ สีมาค้าห่วงแต่ไม่ยิงแมนสัตธาบเนศีแแวเหลียวหลอดตัวสืบสืบบอขั้นกล่าวกับผมสีขอตอนพระนังมัตซี er ่ย si ูมาตั้งแต่เมื่อแรงวันนี้บอเสียเวลาไปนอนอยู่ถ้ำดอกเฝ้ากระเฝ้ารีบกรีบทำไมต้องไปนอนอยู่ในถ้ำหากจะขอตอนมัตซีอยู่ดังนั้นบอคอยบอท่าแม่แตะประการใดขั้นสีหายกรลีบห้ยย่าไปเกี่ยวกับเมียรักสัตธาหากเพ่พังสิบอายคนบอเหลือแห้งผมมาพ่อว่ารีวาสีอาบ แคสีขาบแดกซ้ำผสมลำซาลือแต่เราผองว่าเป็นยานเนี่ยเหรอถึงขั้เนี่ยเอาละเอาละพอพามเอ้ยอย่าเฝ้าครูอย่าเฝ้าตะขอเข่าจิตใจของเข่าขันสิเบาในเรื่องบริจาคท่านตัวของเจ้าบอต่องหัวงขั้นเจ้าค่อยบอดาเข่าสีท่านให้ยุขั้นได้ลูกทั้งครูของเขาเสร็จเรียบร้อยให้ผ้าเข่าสูนัค่อนให้เจ้าจอนไปกรรมสีพี่นครอนราชพระปูไทยเห็นแหลวสีไทยเอา เข้าสิมาดคาไวน่อยออนสองสีเท่าชลีราคาพันตำลึงสิ่งของทองหอยนั่งกันหามัดราคายางละเจ็ดหอยเจ็ดหอยงูควายาถาเจ้าสิสมมาดแม่งบมี่แหล่งเป่าสูนสมใจปาดพนาเจ้าถูกย้งว่าจังไถเงื่อนไขนี่สิพ่อรับฟังใดบอสิพ่อเอาน้ำใดบอพอพามบอถาพนังมดซีสิท่านให้ยุ แต่ว่าต้องให้กระผมเนี่ยเอาสองกันหาชาลี่เข่าซูเวียงสูวังพระองค์เอ้ยแม่ว่าพามเกิดมาสิไรญาดขาดมิดข้นจอนมอนมินหนังสือบดได้เข่าแม่แต่สั่นเดียวปอเดียวกขบ่โง่เขาเบาปัญญาพ่อสียหาเวทสั้นดอนหลอกได้ง่ายๆกระผมได้สองกันหาชารี่ไปแล้วเกิดว่าผมจูงไปในบ้านจูงไปในสีพี่นครพญาบรมมาสีสนชัยไทยข้าเดียวถามข้ามเดียวมันกันยังไงเกิดเห็นกระผมจูงต๊อบงับต๊อบงบไป พิ่นกสิหาวะกับผมนี่กรเสือกกระสนรักสองกันหาชาลีมากโทษอาญากสิตกใส่เก่าเท่าใส่หัวขั้นเป็นสัตว์ท่าเรียวยังโง่ขึ้นคือแขนสอกบยาเสียออกลงคงคือดำดังบวงจองเบ่ารอแรงคือแพ้ตกตมเลยนะเบ่าออกท่านั้นทานียักคิวเลี้วตาขั้นสิยหายแล้วแต่หัวผมเสียไปใส่ไม่ต้องมาบัญชาการให้เอาไปนะที่แห่งนั้นแห่งนี้ขั้นสิยหายก็หามาลอืมันเนี้ เฮ้ วันให้ท่านสาแต่วอลอมาดาแมมมัซี่ห้าวบางอาทิจางเร่งค่อยค่อยจะเข้าพ่อได้สัง่งหาเธอแม่กลับมาคันโบเห็นจังสีปัจจิฮ้นอนหอเอื่นหาได้ละพอถ้าแมมมัซี่สะก้อนเป็นอย่างพอคันสิทานนีก้กระไดถ้าแมมมัซี่สะก้อนเป็นอย่างหลุดคำเอ้ยการที่ค่อยแม่เจา้าโบหูวาน้มใด การเดินไั่จากด้วยผลหรือว่าใดบ่ท่านแจงหากเข้าแรงจังกับบานพ้ามเสียการสิเฝ้าเต้าลูกยาใดโออ้าวเข้าเหตุการเข่ามัดหมันหาทางแก่ยาสุนานคันสิค่อยแม่ของเจ้ากับบลูจากวาน่ามไดจังสิกับขึ้นมาขณะนี้เวลากระเริมบ่ายแล้ว ขันพนังแมซี่แมกของเจ้ากลับมาท่านเพ้นปานนี้กับขงสิมะฮอดมาถึงแล้วคงสิค่อยบวายดอกลูกค้ำคุณพ่อเอ๋ยขั้นพ่อรอดบอดใดอีดีนันลูกบว่าชันใดดอกละพอขั้นบอรอแมมาซี่อีดีนันให้ลูกของเงินเฟืองเงินไพ่สิใดบ่อ พ่อไทยบัดพรยอนบัดแสตผ้ามเข่าบให้เช่นตีแม่พอให้มาซสียให้กัญหาชาลี่ของเงินแน่พอหลูกทำเอ้ยอันว่าเงินบาทเบื่อยเบียเสลึงเดียวบกข่างไทยอันว่าเงินสแตงสตางแดงนันเฟื่องเดียวบกั่งไทยดอกโอ้ยล่ำพังมาเน่าอยู่กลางพ่ยจังสี่มั่นกระลำบากพ่อแห้งแล้วลูกหล่ายะจ่าวเอ้ยไป อันวางเงินน้ำพอนันมันบอมมีแม่แตงแต่นิดเดียวลํำพังปากทองลํำพังร่างกายสีเหลียงไหลลอดแต่ละมือเสียวโตของเจ้าของไหลหอดแต่ละมือมันก็ล่าบากแล้วหนุกคาเอออยู่กลางเขากลางป่าสิมีเงินมีทองมาแต่ใสขั้นเจ้าอยากได้เจ้าก็ขอเอาน้ำพอยา่แม่ใหญ่นี่เพิินพ่อสิมีหายุติส่วนพอนันบอมี่ดอกลุกลา w a t n m e สองล้นล า, ลานลาลาลาแต่พามเข้าได้เจ็ติดิละยุงขอเงืน่นพอจังซีพอกระบาท่ า, ทานหมูชาลีเสนล้านทุดบาทหฮังไกมันหน้าเจริมันบาตายดอกนา มาโปรดอโดลานลาถึงข <elet> ้าวสวยมางเลยย่าให้ลากไปเกีีต่อตาตนาลายนาหมูกยนล่ลตอนดีลตอนเนนลา คูยังเลยยังนื่อยว่าจังใดคุณโอนทอสาไทยตุลามนั่งเต็มป่าลำนั่งเห็นข้าวเคนในไทยลานพวกเจ้าลายหมู่บ้านใหเฝ้าไทเอาหลันไว้ม่ พ่านลงไปใรเอาซองลานไห้ขอจากให้นเดจ้ายมสัตถาเดือพูร้อนน้ำมสัตถาผู้ผู้ให้เอาไว้ดอกไทยล้า ไทยในวอนป่อของลุ้นเพื่อเอาไปไทยปอนบาดเจ็บบดปอดพมความ้ีกุนหลักนุ่นอยู่กำฝ่ายพี่สัทธาเท่ามาจังใดโยมมีโปรดเจ้าจานเป็นอย่าง ลานี่ยันแต่พัมเต้พัมโต้คนตีนังบ่มีถอยจังอาศัยสัตว์ที่ในพึ่งบุญมันย่อมอนว่าจังใดกะยุ่งก่อฟ้าท้ยเอายาสังอุ่ก้ฟังกุ้ สิ้นใจตลอดสิ้นบ่อใดสื้นทางความักเสื้อผูกขอเอาปอมาให้แกผพาขนไห่วารีไหลบนนี้เอื้อนด้วยสายท่านอยากโอด้วยเดชาอานิสงปุตตท่านขางนี้เดียได้เม็นดังมา สองน้องใหญเกือบยิดลายในบางเทีตันหาเพว่าเศร้าเศร้าสวนปะปงน้เยียงรุ่ยทิพย์ในดอยดอกเขาหนานเทวันดอกฟางกองสนิทนี้ไทยลิงซองเป็นสักขีคาบ้าขาขออ่างว่าเก่าโอน มุ่งสู่ในสงสอรในถึงตอนผู้ที่ยากการที่มาอาคดในอานต้องเอาเอ้ไห้สงสารยามใกลให้สมใจกันเจริญจักรู้ ปิบนั้นไต้ดำดไต่เม็นดังมายอาสุนกุศลนาคงามกันนางนาคขอลาเปาตพาโลกายสังหือยงต้องกันจบสิว่าลิ้นไหลกันหยุดหยาบหมอบขาถาให้แกเท่าปั้มปั้ว่าเป็ด นางอยู่ดีเชิญเจ้าหยอกดอกดำทำสัมเนี้อวัดสาทุกวัดสาทุกสาทุกกันพัมสั่นดอนทานอาวาตรสังเวยเชิญพัมไปดอกอีเถื่อสองบุดางมอบขาดแล โอ้ยยยยยยยย ชูจุกภาพได้รับกันหาชาลี่จากพาหตขององค์บริมมพงเพศเวชสันดรนโดยความเล่งหลีบฟังเปล่าอยากเสียว ก, กันหากับชาลี่ไปตอนไปอวดนางน่อยอมิตตาซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าของชุดเอาดึงเอาชุดกระชากลากดึงขั้นกันหากัากบชาลี่อย่างสาซาจับได้คลอนกระตีจับได้แสกะฟาดี่มันึ่งพึ่งผือดในที่สุดกันหากับชาลี่สองพี่น้อง เกิดความเจ็บปวดลวดล้าในพวกรกายเกิดได้ยิ่งมากแม่ก็พอบบก้ยตีต้อยตองให้เจ็บให้ปวดแม่แต่กลางเดียวปาติโทษภาพมันเป็นไผ่มาจากไซคือมาก่าตีเข้านองลาเอ๋ยในที่สุดซอยกันชุดกระชากลากดึงเคลื่อเทาวันที่มัดแขนอยู่หันกระไดขาดสะบันลงไปกันหากับชาลีแลนกับไปรีอยู่ในซะโบกคาานีพ่อใหญ่แม่ยายอีตาภาพนั่นหลังจากที่ชุดกระชากลากดึงเคลื่อเทาวันที่มัดแขนกับกันหากับชาลี เพื่อเทวันขาดปุตอิตาพามนั้นโดยแรงกายที่อ้วนอิมลุกผูกคุ่ยของมันทลายลำไปล้มลงหัวนอกพืนะลานหินมิดศีรีกันหากับชาลีกลับขึ้นมาลียุสาโบคารานีพอยายไม่์ยัยอิตาชีชุ ด, ชดจกรภาพฟื้นตื่นจากการสลบมันสลบไปประมาณบะเขียวมากจืดจากหนึ่งคำ่ำ พอที่ฟื้นตื่นขึ้นมาปาดตีทู่ปาดิโ ท, เ, ทเด็กหน่อยสองคนลูกพเวตสันดอนมาคือโพดคือโพแต่ละเห่อคันจับได้อีกบาดนี้สี่สี่ปากในคุ้งหูจับถวายผีผู้บอกกูหน้าละกเข้านี้ฮือแมนพระเวศสันดอนเล่นบ่อสื่อใส่เวทมนต์กอนข้าถาเอินลูกเอิญเต้าขึ้นไปเซกในเครือเทาวันขาดที่ใดนอ่กลายเป็นสัตว์ท่าหัวเต่าแล้วที่ไดนอเวทเอ้ยเวทกลับไปครูองค์บรมพงเพศเวศสันดอนพระเวศสันดอนก็ไม่ได้อนาทรร้อนใจกับคากล่าวปล่หมาด ท่านแม้แต่ประการใดจึงได้พูดออกไปว่าพราหมณ์เอ๋ยตัวของเราเวสันดรทานมานักต่อนักแล้วไม่มีปัญหาสัตธาหัวเต า, เตาเบกเคยเป็นเจ้านละภมีปัญญาที่ศิรักษาสองกุมารเอาไว้ได้เอาละเข้าสิออกหาหาเวสันดรหาลูกจนเน็ตเหนื่อยเมื่อยลาพอยายเม่์ยัยเอ้ยหมดแรงเงื่อแตกหลังแตกนาไปสะ <c oughs> ไปล่างนาช่วยคิงยุติสะโบกครณีเบงกันนะา เวศทันดรไปหอดริมสาโบกคละหนี้มุนเอเล่ไม่ใหญ่เอยห้อยเด็กน่อยขึ้นมาจากน้าไม่ไมเ อ, อ๊ะห้อยเด็กน่อยต้องเป็นห้อยลูกของเราจริงแท้แน่นอนมันมาจากภาพมดทัทนโดนมันลงฟังใดมันมาขึ้นฟังนี่เนาะพอเวศทันดอนยืนพินิจพิจารณาทอกขาก่าวออกไปวาสิยางอ้อมไปทา้งฟังสาอีกริมหนึ่งว่าทั้งลูกลงอยู่มองใดพ่แต่เดินขาเก่าวไปขาอ่อนหยอบหยาพวาเมเอิดแรงอีแม่ ยอดหญ้ามาทางข า, ข, าของเพินสะดุง้ยงยงขึ้นมาเอา๊ะเอ้าขันข้นขึ้นจากน้ำไม่ไหมหญ้าสม่าแห่งแทน่อกมพินิตฐพิจารณาเบิงข้าเบิงยอดหญ้าใบเบิงยอดหญ้าแหงคอลอกล้อมเบิงคีดินบ่มีห้อยเขิบน้ำ ชุดผ้ลือสีหน่อยขั้นถือกหนาม้ําต้องยดน้ํากลนเป็นห้อยแแม่แแมน้ําก้นอันนี้ขี้ดินแห่งคอลอแสดงว่าลูกเกยเจ้าเฉลียวฉลาดผ้ากันถอยหลังลงไปในสะโบกคารานี่ติใดน้อจะฉลาดแค่ไหนพ่อฉลาดกว่าพวกเจ้ารู้ว่าลูกของตนเองถอยหลังสู่ก้นนาทีไม่มีเวลาที่จะเดินลงไปจูงแขนลูกขึ้นมาจากสะโบกครานีก็เลยใส่เวทมนตร์คาถาเปิดใบบัวขึ้นบทหนึ่งไอแม่ ไส้ว่าจังใดข้าถาเปิดใบบัวบทนี่ตุลิตะสีฆะสีขังตุลิตะตุลิตาสีฆะสีขั ง, ขขงเอหิปุตตะปิยามามะเอหิปุตตะปียามามะสามที่แล้วใบบัวกระไขเปิดสองประเสริฐลูกเจ้าจำนนตรอลักฐานใบบัวเปิดออกจากหัวรับตามีบแมบมีบแมบมีบแมบจำนนตรอลักฐานคลานขึ้นมาก่าฟ้าพ่าบาดของผู้เป็นบิดาคุณโยมพอเอ้ยการที่ลูกลงไปลี่อยู่ในน้ํา บ่ได้หนีนีห น, นีการท่านแม่แต่ประการใดเป็นด้วยความตกใจจึงลงลงไปลี่อยู่ในสะโบกรณีบัดนี้พอสิท่านลูกนั่นลูกบวันในท่านสามบ่ต้องร่อมา่นดา่าแม่มัสซี่ตะย่างใดทั้งนั้นคนเฮาเกิดมาทไายตายท่นั้นบ่าตายนุ่มกระตายเท่า อายุของลูกเจ็ดขวบหกขวบจะตายก็ช่างหัวมันเถอะขอให้พ่อเวทสันดรได้สำเร็จเป็นอนุตระสัมมาสัมโพธิยานในอนาค ต, ตการข้างหน้าด้วยเทินสาธุนี้คือสุดยอดแห่งลูกกระตันยูพ่อหญ่แม่หญ่บัดนี้อิตาพมได้กันหากับชาลีเป็นขํารลบที่สองนี่ เจ้าลิงมานผางสู่ศกขวในค่อนกะนนำขาลูกประเวทผู้ทรงศิลนจนว่าวินวิงเวียนเลือดไหลก็ใครย่อยผู้แหงอยแหงคือหายข้าให้ตายสะได้ว่าห้ามทั้งก่อยอันทั้งดาลากสองลาผอาป่าไม่อันเสียงไห้ว่าสัวเซว เอินหาพ่อแลวกนแล้วเวอินหาแม่แลวกนแล้ ว, ล ว, แ, มล ว, ลวแม่บ่แอวกะนิ่งน้ำกำหยั่งหัวชาลีได้กาจา ก, กับนองอยางเมื่อพามีตองนังกันหาเลือดสาดชาลีละปาดแส่ทนนองเกือบแม่นตายแมียใหญ่เอือ ฮามืตีผู้อ้ายกันหาแลลนไปรับถ้าหนี้จับแกนางให้อ้ายตายสะดีนานฮามาสองกูมันท่าจับมาแล้วออกคอนนำองค์พระเวทต้องทําเ ม, ม็ยนทาตีบอเวนสังเป็นแทดอกคิดไปในตอนนั้นองค์พระเวทแจ่มไทถ่ลน เราเป็นเสื่อชาตไทยกษัตริย์ใหญ่หลวงเมืองมันบ่เก่งใจขู่ย่อนขว้าดอกพ่อต้าดับผัขันตามขาพัานายอ้รสตัวคิดว่าลูกของตัวขาดจากคิตที่แล้วตามแล้วดอก้างเขาทำชู้ชบเปรเป่าบ่ได้เล่าล้ำไผ่ทำตามใจตัวเองบ่ได้เก่งดอกกำตอง ก็จากนั้นสองกุมารที่น้องาตามคนดอกกันพามมุนปาหิมาพานมันพะยานขึ้นทางบนเอาอู้แขนกบไม่มันบอกว่าสูย่ยาภากันให้เสือในภายสี่ขาพูนนปล่อยหานหน่อยอันสองคนในวัยเงาไม่มันบินต้นเ้วนีง ขันทีกิดนามดอกกวนข้างในสังตัวเอขั้นเจ้าไต้ตัวพี่เจ้าทีเป็นนายขั้นเดียวได้ว่าขาดผัโอ้ยไปสิมหาสูพนปลามากไป ลายไม่เหมือนเดิมออย่ากอดพี่กันกันเก่งบางทีเจ็ดน้ำหิวยาตายเชียวรอบจากภูมิกันว่าท่านบุตตรน้อยผลที่สุดว่านั้นแก้วก็เป็นไปคือว่าแต่วันมีพุ่งสายติกาพวกพ่อ หวาใจเบื่อที่หวานเลวใอะไรจมน้ำฟ้าเมฆน้เดือดวนไปวนมาลวน้วนปวนกันาคเด้อคเพราะมี โลกสิตาวันก็กนั่นแม่เขาวงกูกกันโคตของจากทางบ้านนั่นอยู่ใส่แม่ไงหันมองดูขั้นที่ไตก็เป็นปานาหกตาวันก็กวันมีพวก ดอกโรยโเนื้อโพงเงีเละติดเนื้ออย่างบางต้นสี่ต้กันเป็นมงมือติดเป็นพืชบอสแก่บอสแก่พันปร๊แลงพันพาดมองเห็นยูดกันกันกี่เชียงคูดอกทองคู่ ดังมันมีความสุขตัวมีมาต่อมองมึงตัวเองแล้วบอกแ้วสิม้ามันหลุดหลอกมาตั้งเป็นจังสีมาตั้งเป็นจังสีอยากมีหวานสิเป่าเกิดสิเป่าเกิด เออจังหวัดไอตอนนี้มัดเิเออเออเออเออเออเออเออเนอเออเออเออเออเออเอออเอ็นออเออเงอเออเออเออเออเออเออเออเออเออออออ มือัวาุมขั้นหัวไวทำไปใส่ก็คืออุ่นจังวาสา พนปวดขอจงนําน้ำส่งหายมาสได้แม่ตาเอานู้หน้าั้กวัวตามขบวอบจมกาวเอ โอ้โหหิมะดอกควันหอา้องจิงก้มหมอทุกไฟเนื้อมาหนกายวันตั้งไหลอายุใสยมาถอนเท่าสื่อควันเจ้าลมเกิดกิงหมัดเจ้าแรงขั้นขาดู ต่ำสะดุดพ่มตอยาสลอนันสาลูกกายปัพุ่มนาแม่แจ้งกันเลยมอนปนเปื้อนเปลือกนาสาดที่ฟืนเม็นเตือนแสนใจไหนแรงลามาวมอยู่กันสันดอนไม่ไงเอ้พอไ่ อ่อนพ่ตาจริงกระเจษวิญสษวย่ออมสมพอดีมัติลาก้นมตัอใดขอจบที่ด้วยประการาชนี เมตติลานะเม บัดสี่พญายมยายโอ้ได้ยินแต่ว่ามันเสียงดีคือสิไตคือพระนังพุทธศรีแท้บัดนี้ว่าไม่ได้แม่เมื่อเสียงดีคือเผเวทแท้สันนิยมยมยายบัดนี้ภาคกลับมาอันบักลูกแพ้มันรอปนัยโอ้ยรอรอรคือเผเวทนี่บอกว่าด้วยพญายมยายนเนาะลักษณะเป็นจังสีละอ้าวบัดนี้จบกันมัดสี่ลงไปแม่พญายมยายน เนื้อในใจความเยอะแยะมากมม้เป็นยังพระเวทสันดอนชังดาพะนังมัตซีมันเป็นกุศโลบายของบุคคลผู้ฉลาดอีแม่พนังมัตซีมาถามหาลูกคันพระเวทบอกว่าพีท่านไปแล้วผู้ยิ่งนันหลับล่องว่า สลบเป็นล้มช็อกตายได้ยินว่าท่านปุ๊บต้องช็อกตายจริงแท้แน่นอนก็เลยหักเหความรูซื้อของพนังมัซี่ออกไปจากน้อยลองเห็ดเบิงก็ได้หาว่านังมีสูมีแฟนมีกระบอกมีกับคนอยู่ในปลามีเตลิ่งแต่คางพญท่อนเสร็จแล้วมันก็หักเหความรูซื้อเครียดคับก็ลูกหายอีกีแม่เครียดย้อนว่าไปเล่นกับลิงอี่ที่ก็เลยออกอีกมานึ่องพึ่งเพืชหทาลูกคาเต่าจนว่ามาสลบตาหน้าตาตาของพระเวสสันดร พ อ, อยายบานมกดาหารคุมวัดสีสุมั่งขั้นไม่ยายจมดีๆกล็ลอยหวัวเบิงอีแม่หลับล่องวัดสีได้ผลคือกันเดคล้ายๆกับพระเวสสันดรหล่อพนังมัซซี่นี่ละคุณโยมแล้วพนกระแตมก็โลงพนังมัซซี่บอใครได้ฟัง ภาคอีสานมีทั้งเบอร์716มีทั้งเบิดอยู10เกจังหวัดคุนยมสีมีการแต้มกระโล่งอยู่สามจังหวัดคือขอนแก่นอุบลราชธานีกับชัยภูมิคุนยมเบิร์ประแต้มกระโล่งนั่งมาสิที่อาจารย์บุญนํามาไปวังหันขั้นมรนเจ้าตายอยู่ในอุตรนครบีพีเมืองกวงพี่จักสางไม้ไ่ห้องไล่ไพ่บนที่จักแต้มหูปราสาส์กระดาษพี่จักไซไล่ล่วงดวงปีพี่จักแต้มหูโซฟาสีเหตุกระโลงให้งามที่สุดขั้นมรนเจ้าตายอยู่ขุนวนาตายอยู่ป่าเลยนั่งเอ้ยนี่แหละฮามเยียมให้ลักษณะนี้ข กันมาที่ตื่นขึ้นมาแล้วกันเลยอนุโมทนาเอาละท่านกระท่านไปพี่เอ้ยคอยพี่เวทสันดอนจงได้สำเร็จเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสมกับคำปราถนาของพี่เสียเถิดว่าจังสั้นบัดนี้ขึ้นกันสักกะบันแม่ใหญ่สักกะบันไดแก่ท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นปราดในเมืองแม่นแดนสวรรค์ เห็นพระเวทสันดรมีศรัทธาแก่กาท่านใดกุสูแนวที่คนมาขอสิทดล่องเบงกนาล่องนำใจพระเวสที่ไปขอพนังวัดสี่จากเพิ่นเบงกนาเพิ่นสิกาไเบ๊อท่าพระเวทกาไฮ กสีพ่อเอาดอกเสียวขึ้นหายแล้วก็สิยหายพอนแก้เพิินไว้จังสันวัดใจกันเลยระว่างพระอินทร์กับพระเวทถดลองศรัทธากันคุณโยมพอลงมาจากปากฝ่าสุไลล่าไล่มาหายศูนย์แปลงเป็นอิตาชีชูจกภาพเดินยืดยุ่นยืดเยาว์ข้านเขาไปกราบมึอหมับมึอมับอยู่อาสมบูรณ์เราเวทสันดอนได้ยินจังเห็นจังสันก็เลยถามไปจังใดมาจังใดพราม โอ้ยพระองค์เอ้ยการที่เดินดุ้งดันกระวังดื่มอมาริดพระองค์เอ้ยว่าอยากขอเมียแพงนําพระองค์ในวันนี้ซื้อวันนั่งมัตสีลาเมื่อแพงอุปถาขอพระองค์จงได้ประท่านให้แดกกระผมแนทถอนเกิดมาบ่าเคยไม่นั่งลูกนั่งเมี ย, ยจักเทียขอพนั่งมัตสีแนทถอนเวลานั่งไปหาผลมากกลาบไม่หากว่กลัวผิดศีลขอที่3มชุดเอาแต่งแต่โดนแล้วอันนี้จึงมาขอจากพระเวสสันดรกลาาร้าไห่บ๋อเจ้าข่าพณวาในตอนนั่นพระเวสสันดรเม่ใหญ่ บ่ได้ปากแม่แต่ประการใดเหลือบตาไปเบิงพนังมัาซี่ล้านางเอย๋ยในตอนนี้คือมีผู้อยากได้พนังล้านาถ้าแพงนั่งสีวาจังใดลา้านางพนังมัาซี่ก็ะบอกว่านังเป็นสร้างเท้าหลังอายเป็นสร้างเท้านากันหาขับชาลีกากาให้พี่ท่าน น, ากกา น, น, นั่งกากาคือการนันละแล้วเต็พระพี่เจ้าสีท่านทอดบอมี่คัด ในตอนนั้นเวสันดรจึงจับมือพนางมัซซี่มายาดลงยัางน้ำวาสาทุเดออิมินาพุญยารามเมนะคอยขาพระเจ้าท่านสีภรรยาั้างนี้จงได้สำเร็จเป็นอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาค ต, ตการข้างหน้าด้วยเถิดซาทูนี้คือคำปรารถนาทุกครั้งของพระเวสันดรที่ทำทานบัดนี้อินตาสกภ า, ามได้พนางมัซซีไปแล้วจงไปบทท่านไก่ จูงอ้อมกลับขึ้นมาอาสมบตออีกสองหลอบว่าพระเวสสันดร น, นั้นสิยึกอยักยึกอยา ก, กสิ่งตาน้อยน้าเมียบอกจูงมารอบที่3พระเวสสันดรนางคัดสมาธิขาขวทับขาทรายมือขวทับมือท้อายแน่นอนท่านกําลังคงลาลึกถึงผลสินผลทานกระมังคุณโยมอินตาสักาพามจึงได้ออกเอ่ยเผยวาจาไปว่าข้าแต่องค์บรมมาพงเพศเวสสันดรย่อมแพ้ท่านเหล่าล้ามืนตาขึ้นมาซะเข้าบรมเป็นพร่มตัวจริงเข้าเป็นพระอินแปลงมาบัดนี้เสียวพนังมาซี่ขึ้นมาหาย ยาสิทานในภัยอีกเด้อจงนา่งไวหาผลละมากลากไม่นักบวชผู้บริสุทธิ์แม้จะเป็นหญิงและชายเราอินทายังสรรเสริญนับภาษาอะไรกับมนุษย์ต้องสรรเสริญจริงแท้แน่นอนเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชไม่เป็นไรเพราะพวกเจ้ามีศีลบริสุทธิ์อยู่ด้วยการเถิดคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย3คนสบายจงนางไว้เสเชิดเวทสันดอนพ่อว่าแล้วก็หอขึ้นสูฟ้าไปบอท่านไก่คุณโยมลืมข้าวตัวนี่พนาวเวทเวทสันดอนเอ้ยถ้าทานก้าหายพนังมัตซี่เฮาสิก้าหายพร เวสันดอนต้องการยัางวามาเลยในตอนนี้พอเวสันดอนได้โอกาสจึงขอพรแก้วแปดประการจากองค์อมรินอินทาติราชขอว่าจังไดแน่อัตมาสิวาเป็นลำนำขํากรอนสลับกับข้ามเบาคุณโยมนี่เออในตอนนี้หันมา ข้าวเหนียทานดอกปันบอนนะวงพระเวทตันดอนสิได้พอนพรแก้วแปดปาการไม่ใง่เออเออจังลขอหนึ่งนั้น ให้ได้กลับเตาบ้านพราพ่อมาเชินไปคอยกุงคนใช้มาเต้าเชื้นเมื่อบ้านจังว่าขอสองอาหารนย้ำากลับไปหอดบ้านในแจกวันทาบุญเพื่อเป็นทุนท้ายแล้วเสบียงเมื่อกัะเมืองป่าพอสามนั้นคอยใจของผายินดีด้วยพัน ยายาม่ใจดอกทิตามอกุศลยาได้มาพามาวิ่งให้ดอกโมกตามคอที่นั้นในไหลมาก็คือนามสับปะสิงินตรายามขยอกคำ พ้องขอฮานันยำก้าขึ้นของราชสมบัติอย่ามีใจโมโหบาปพกกรรมหรอกทําลายผลทั้งหลายได้มาเข้าบาลมีได้ตุ้มที่ให้ได้สร้างแก้วมดีมอว่าแล้งแนสเฒ่ายำส่าอย่าสุนีเออจังมากขอหกนั้นขอให้พุทธาคาอุลาศะ เป็นยูสือปางกะเลื่อนเย่าเพานาครพอจิตนั้นย่ำขับโยกย่อนกรุงราชธานีฝนห้าแก่กะลงลางขี่ฝุ้นผูหง พอแปดนั้นย้ำประดับชีวีให้สู้ดาวว่าดึงฟ้ายาสุมากะน้องข้างดินดอนทุกขโมดในสู้หยอดดอแดวมมันแก้วดอกเตวดาววงพระอินกะฟังเป่าปะท้นราชยังพนขอให้สันดอนฟ้าตังใจมนุษแมงแล้วจิงเกียงังฟ้าดาวว่าดืงดอกเป็นทินนักนิง น้ำอยู่บ่อแล้วกะแนวเสื่อมนุษย์คนเข้านั่นองเอกต้นพญายห้เวททันดอนมีจิตใจยินดีกะรับเอาปละพอนแก้วมีจิตใจดอกบุดแผวมานไม้สอบชื่นสาบตะบันกะลาบลืนสิลงไวว ยศสบสาพระค่าทากันสักกะบันแม่ยัยต่อไปเป็นกันมหาราชภานิมตอาจารย์เคนซินนะครับอ้าวนี้คืนกันมหาราชแม่ยัฮอนกับอดเอาเดอทิขนาทิกหลังไปสะกอนแตงทพายุทึ่งธรรมะทั้งหงพอปันอึ้งอกแม่ยอืฮอนขยับม่าเดอสนทั้งฝนแดดไล่เด๋ แต่ว่าอย่าหนีจากกันก้อนเท่านั้นละ่ะผู้ใดอยากเห็นาศ า, าสนาภสษีอริยะให้มาอยูน่น้ากันเมื่อนี้จบเมื่อนึงมื่อเดียวใหม้มันจบตั้งแต่ทัดสะพรออดนครกันนับโดยไม่ไงเด้อบัดนี้คืนกันมหาราชมหากรแปรวายไงราชกรแปรว่าราชามหาราชเนื้ย้อนกล่าวจากไสเยว่าจากสายไปสายได้เข้าใจเนาะคุณโยมเนาะเอาใต้พี่แล้วไม่ไง เมื่อลุงสางสาว่างมาตงแต่ พ, อพ่อไงพั่มชู้ชกนอนอยู่บนข้าโคกตนไม่เอาสองกันหาชาลี่ผูกไว้เงาไม่ไปแล้วเมืเ่อลุงสางสว่างมาจังสั้นอิตาพั่มชู้ชกตนจุดจัดลองจากมาไม่คู้สองกันหาชารี่ไวลูกขึ้นเดี๋ยวนี้สุสิน้อนหาสวรรค์วิมั่นอีหยังพนาวะกู้สีผ้าสูอไปอวดเมียหน่อยของกู้ขึ้นนั่งอามิต ต, ตา เมื่ออิตาพมชู้โชคคู่เด็กหน่อยจังสันแล้วมันก็จูงไปแก้ไปตีไปสแล้วในไงจนว่าอิตาพัมชู้โชคนั่นไปฮอดทั้งสามแผลงส่วนหนึ่งนั้นคางหนึ่งนั้นคางทรายมันไปทั้งบันพุทธดาวิดบันเมียของเล่าคางขวามันไปเมื่อกรุงศรีทีทางที่สามมันทังหลังทียางมาแล้วสแลเมอิตาพหลทั้งสแลบตเลนี่ยเน่เนี่ยเนี่นี่่นี่ยนี่นี่เนี่ยเเนนนเนนี่นเียเ หลกเหล็กพ่อปัญมาขี่เหื่อละฮะนี่แม่ไงหลงทั้งแสดงแล้วอิจตพัมโชโชกันเฮ็ดจังใดน้องกูจะไปเส้นไหนดีนอนว่าสั้นบัดนี่ยุดไว้นี่อตพัมไว้นี่ก่อนคุณโยมเอ้ยหันไปฟั่งบอลบอลตอนพระญาบรมมาศีสนชัยนอนอยู่อาจของตัวเองนอนอยู่อาจสมนันบัดนั้นในขึ้นเดียวกันนันกับอิจตพัมโชโชคนอนอยู่บนค้าโคกตนใบนันพระญาบรมมาศีสนชัยเกิดสูบินในมิดฝันแสดงแม่ไงฝันว่าจังได ฝันว่าใช่หนึ่งนันน้าดอกบัตูมดอกดึงตูมดอกดึงบานมาถวายพระราชาจินละอ่อนหอมกลุ่มมาคว่ำฝันจังสิสิเป็นเหตุห้อนประกันแท่สิ่งไหนละนอวัซันวาเมื่อลุงสางสาว่างมาจังสันลุงสางสาว่างตามาจังสันเสร็จสวยเป็นง่ายสองโมงสามโมงมาจังสันพระยาบริมาสีสนใช่กับจึงในน้ำหมองหนมาทำหน้าท้ายถกูกบวกเล็กคุ้นหาน หมอหอนก็จําทำไส้ถ่ายถักขีดเหล็กเรียบรลอยล่งเล็กลงย่างเหล็เรียบรลอยลบทอดไรบวกทอดไรเสร็จเหลือทอดไรพรอมกับทำไส้ถทายถักออกไปว่าพระองค์นี่เสดสัตว์สองเท่าขึ้นเข่าสุนครตัวนี่พระองค์ขั้นบจริงคือขาหมอหอนทาไส้ว่างอมาขาไกลกับหัวหมูฟาาหัวผู้ขาปีโลดพนาว่าถทายแม่นคักท่ายแม่นแน่ไหนหมอหอนผู้นี่ คันม็นยังจังซูมือนี่ามาท่ายจากสองต3โสามตัวสอดจากสามงวดสอดนี่รวยนู้นไงเหม็นบ่ตายสัมสละอันมองหวนิกร์ก็ได้มันตายแล้วเลยท่ายบ่ได้งงอืตายส้ํมสละอ้าวขันอิตผาพัมองหวนทำน้าย่ำ่ายถั่วบวกเรียกคู้นหารจังสี่สิเป็นจริงหรือว่าบ่พระยาบรมมาศษสอนใช่นั่งยกอาคลู่ตัวเองเร็จสวยเป็นง่ายสามมงสี่มง แล่ไปเบิงไก่เติบบลาเบิงไก่เต่วมันคือยังไดจังหนึ่งขม่าไก่ไกเมื่อคือคนแถละนอเบิงไปม้าเมนข้อเหลีคนแล้วบ่เล้วเบิงทั้งขัวเมื่อคือเท่าชาลี่แถละนอเบิงทั้งใสเมื่อคือนั่งกันหาหลานเท่าแถละนอเบิงผู้อยู่กลางกงเมื่คือผีแถละนาขม่าไก่ไๆเมื่อคือคนแถละนาฟันจังไหนคอยว่าจังสันเมย์ไงเพราะว่าพอยายพ่มชู้โฉรามันผู้ไฮคว่ำผู้ฮห้าสิบหกยางหุ้มอยู่หันมด ตาเลือกดังปึงแขนโคดขาโคดเอาคิดบางเอาเบิดมุกดาหารหุมกันกระบอกด้เครื่องหนึ hmm. so, Sisters, ่งของพ่อใหญ่ผามันตกคว่ำผ uh ู Sean ้หายนอ่ไขแน่มันองค์เฝ้าอยู่นี่ละใข่คอผามในจักหน่อยองค์นั่งมันขีล่ไร่บัดนี้มาไกลๆแม่หลานเจ้าของอีหลีก็เลยเอิญว่าเหล่าลาหลานปูมานางตักนางเท้าพอพูดถ้าแม่หลาน ท่าเฉลีนั่งกันหาก็ะไรตอบพอปูของเจ้าของมาบอกล้าไปนั่งดอกพอปูเดี๋ยวนี้โบได้เป็นลูกเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นข้าทาสช่วงใสพญ่าพัมขั้นเป็นข้าทาสช่วงใสพญ่าพัมช่วโชคหละแม่นผู้ใหญท่านมาบอกมาเดี๋ยวนี้หลัวหวานเท่าเฉลีนั่งกันหาก็ะไรบอกว่าพอพระเวทท่านมาขันพอเจ้าท่านมาเป็นในมาศคาราค่าบอหลานกูในมาศคาราค่ายดดอกพอปูเท่าเฉลีนั่งกันหาอย่างละลอยพร้อมสายสร้อยหละเงินตรา ขันมีบุคคลไหใครผู้หนึ่งไทยถอนใหนไทยถอนตามดีเด้อพอปูพ้พนาฉะนั้นพระยาบระมมสีสนชัยกับเจ้าในน้ำเงินนําทองอยู่ในข้างหัวเจ้าของน่ะมาไทยถอนสองหลานเจ้าของเอาไว้เพื่อให้วิจากขาดธาตุชวงใส่วิจากตีนจากมือพอยแยพ่ พ, ยยพั่มวัให้พอยแย่พั่มตี่าคือเก่าเมื่อไทยสองหลานเจ้าของเอาไว้จังสั้นแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบพอยแยพ่พั่มว่าถ้ำชูโฉกเอ้ยเจ้าเดินท้างนี้มาจักมือมาซิบหามือซิบหาร่าตีแล้วพระพุชจเจ้าค่ะ เจ้าได้กินเข่ากินนําใสบ่เข่าน้าก็ไม่ได้กินดอกพระเจ้าค่ะเอ้ยเข่าแห้งนั่งมีตาตาแตงหายกระอมมือนันแน่อมือนี่แน่มันก็เลยเม็ดขั้นเมดแล้วก็จังบ่มีแนวกินขั้นบ่มีแน่กินเจ้ากินยังอยู่กลางโคกกลางปลากินมากไม่แน่สแล้วพระเจ้าข่ากินมากสีดาปลาแน่บักม่วงปลาแน่บักมีปลาแน่ยอดไม้แน่สแล้วไห้วท์ขีเขียวเป็นขีมังบ่งวันดอไป่บ่ได้กินเข่าจับเพือแม่ไงป่อย่าพามันนะเอ้า ขันเจ้าบ่ <Kız S 1> ได้กิน <vous> จ<ะ>ังสิเจ <eman> ้าหิวบ่หิวน mm ั่นนั่นแล้วบ่หิวจังไหนพระเจ้าข่าวระสันขันบอกว่าหิวจังสันพระยาบริมศรีสนใช่กะตังในแตงไห้พอรั่วเมคั่วทั้งหลายเนี่ยหาเขาหาป่ามาให้พอไงผ้ามชู้ชฉกินเออ พ่อยัยพาชูโชคเห็นของกินหลายเมย์อดปลุนทนเบาไหวกินบักข้าวเบิกเ็แซงกินแกงเบิก็หมอมหมอละสามูต่อแต่นั้นพ่อยัยพ่ชูโชคแล้วก็เอาเค่งหวานมาใส่จับขาไก่ใส่ลิลั่นไก่ลิั่นขาหมูมั่นพ้าแดงเขียวปากผาาเบียวค้งหูขีหมูหน่อยเริ่มเสร็จขิตาทอเจตเตาเหมนขีแห้งปานำเนาผีตายเมยเห็นของกินหลาย เพราะว่ามันหิวแห้งหิวหลายจังสั้นก่กินมามมั่นเราบอกเลยข้าเบิงทองจับขาไก่ใส่ดีลั่นใส่ดีลั่นขาหมูมันพ้าเมงเขียวปับพข้มเยี่ยวกุงหูกินหวานกินข้าวบดสามหมอดีหม่อมไงไงหยัดใจหยัดเซ็มันกะท่องมันก็ไข้ขึ้นไข้ขึ้นไขขึ้นสลันเลาะไม่รอบเป็นบอกไขขึ้นหลายมันกะว่าเป็นแต่ยูเดียขนมันใจสีขาดแหม ทีทักทิทียดีละกลิเลียยุยรนนั่นแล้วน้ำอาดของพระยาบรมมศีสอนชัยเมื่อไข้ขึ้นไข้ขึ้นจังสันอดบร้นทนบารดีนอนโยอาดของพระยาบรมมศีสอนชัยเมือเ่อใส่เซจน้ำตาเมื่อขวาลูกท่องน้อยห้องให้ว่า ทั้งหลายไปหายาอันใดมากก็บท่านไม่ใหญ่เอ้ยมันฟาวเขาก็จังไปใดหากไม่หากขอลอขอลอทองกินของวัตสีสุมั่งในแนวแม่ใหญ่มาสนใจให้ตวงพังแอบตวงพามก็บ่แม่่หลเขาก็จังไปไดหากแบกแบกไปแสาร่างให้พามกินให้ทวงพามีทวง กะบอทีเขาก็จังไปได้หากทังทีไปแสแนมในทรงพมสุกทรวงพัมกะบสุกเขาก็จังเอายาไปจูในทรงพัลุนทรงพกะบอเ หน่อยบ้านใส่พมกระแตกปีบีพัมกระแตกปอกโยพมกระแตกปอท้องพํากระแตกป้าาาาาาาาาาาหาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา่าาาาาาาาา เดตกใส่หุ้งมาญาติส่องนั่นสานั่นกใส่คุ้นหาหลัวตายสัมคนเดกใส่หมอนำมุนขันตายก็หลัดกใส่ผู้เท่าดอกตายสาวเดกใส่ผู้สาวตายพ่อล ใส่เสอยตายผ่านยังบ่ถึกแต่ฉันล่ะผู้ยุทธธรรมอันเอวสีขาดขาสีขาดกระแม่นพวกมูเจ้ากระยุมเท่าผู้นังฟัง ดูค<อ>้าจ <LA> ังของพำเทอาแตกไปใส่ขาใส่แอวใส่แขนใส่ตาพวกข้อไ่แหลมใหญ่กู้ล่างโคนเึิงนั่งฟังเทศอยู่นี่เึิงนั่งจมอยู่ในใจมันคำแล้วปานนี้เม้นสิเทศไปหอดใสหถ้าตำใสจานเช่นสินองค์นี้ปันใดนอจังสิลุง ซ่อนอดไว้ปนเอกบ่ฟังขันสิเมื่อการู้ตนพระสามองค์นี่เทศเทศหดสามโมงสี่โมงสี่หมงยังโบลงจักเถื่อลูกหลานชีโม่แต่ไส่มารับสองเถี่ยวสาเถี่ยวกระบอกเมื่อเชิญวันนอไม่ไงเนาะอดเอาเด้อผู้ใดเมื่อนี่จากเป็นหนอนแน่เมื่อแตกแล้วจังสั้นพระยาบ่อรมาสีสอนชัยกรตัดให้ให้สั้งให้ทหารขามหาดทั้งหลายออกพญายผ้ามไปถิ่นละ ขันทิมขยศสามารถทิมไกล้ขันทิมไกล้ไปนี่เกิดว่าฝนตกมานาม้ำไหลห่วมบวกค่วมว้างเช่ากรุงสีพี่ตักน้ำไ ม, มากินกระสิเป็นมาห็อกงอกหงอยอีกปากพันนะข้นกาลกินนี่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มไงข้นบอดับบอดีเนาะแล้วหา้านี่ขันเอาไปทิมแล้วจัววววงสั้นทหารกระหามกระลุ้งพอยายพามชู้โชคันไปทิมไม่ไงหามไปทิมแล้วว<ม>่าแล้วซ้ำบ่น้ำในภากันไปนีมุ่นพระมุันเด้ ค่ะคันนี้ผ่าเผวตรุ่นน่อยผื่นน่อยสิเห็นทุกแน้วสุกสิงถูกอย่างใหญ่ๆหามไผ่ใหญ่พั่มโจกไปทิมขันไปทิมกะยาม่าทิมไก่ขันไปทิมไก่ไก่องผีโบทองคนโบเที่ยวพุนาพันนะอือออกจากกันตาหารทั้งหลายกับผ้ากันไปนี่มุ่นพละนี่มุ่นใส่กะโบได้หลอกอันพระกะได้ไปมุ่นหลงพอพ่นกะว่าปวดขาไปมุ่นยาซ่าพ่นกะว่าเจ็บท้องไปมุ่นเจ้าหัวปีหัวน้องเพ่นกะว่าเบาว่างเบาไปดอกกันศพไผ่ใหญ่พั่มพันนะ พระกะหัวดีพ่อพระข้ามันจังสูมือเนี่ยมันโลกเอ็ดโบ่จะเห็นหัดคว่นมันดอไปพระกะไดมันไปได้ไปได้ใสแล้วนายไงผู้ไปได้หลวงพอบวชไม่ไม่ได้่ามมือกับเนี่ยหน่วยหัวกะกากทั้งัดจังหวัดขอนแก่นมันนันตมาพุนลาโบ้เมนแถวสีส้มัางเฮาดอกนายไงอืมขันได้มาแล้วกับหลวงพ่อกับเนี่ยหน้อยกับภาคจูงออกต้นหาหลกตอกหลอกดอกหลอกดอกเอาศพไปไงพ่างไปถิ่มนายไงไง คันหอดมองนางปับปูสาดนางปับอานีิมนต์หลวงพ่อเนมุนสวดพุทธสาบอกทางบุญทางกุศลให้ปอยยัยพั่มชูโกเนี่นะหลวงพ่อบรายหนังสือเฮ็ดจังไดฮะเนเถียงโยมเนมุนน่ะเอ้ายู่นี่อึอักสั่นแล้วเแม่ยัยบัดทีเนี่ยบ่าะข้ามสีเวาสิจากสิงตาหน่อยเบื้งเนนน่อยปับโดน้อยันน่อยเอ้ยสันเอาดีๆ้วดุกลาเ้าเสียงนยนยเสียงเด็กหน่อยเสียงนำนมพนะอืมทีมเเนนน้อยสันแล้วหลวงพ่อ หลวงพ่อว่าไหนังสือแม่ยเฮ็ดจังไหนเนาะจักสีสวดว่าจังไหนแล้วสวดกุศลลาแม่เนาะแมนบอก เพาแตนม่ยังสันล่ากสวดซาแล้วหลวงพ่อปูตู่เพิงเติงบ่ได้นังสือไม่เดือกขึ้นบักแซแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาชั้นบักพามตายไปมิตตากสิเป็นแม่มาฮายกุศลธรรมมกุศลแตมแมมกุศลแตมแมมกุศลเต็ม เอาซ้ำนี่ซ้ก้อนปีนาค่อยคิดฮอดคิดถึงกันยังค่อยมาสวดไม่เนาะไม่เนาะนี่ยของตัวนี้สวดกุศลลหลายตัวนี้แต่ว่าเอาไปซ้านี้ปีนาม่ฮอตหม่สวดต่ออืมเอาเมื่อพ่อใหญ่พั่มวโชคไปถิมล้วจังสันขับขึ้นมาถามสารเรากสุกดี๋ยว่าลูกลาหลานปูเจ้าพ่อเศเป็นมักกูเกตมักกูท่างไปเชื้อเชื่อนคอพาเวทของเจ้าขึ้นเขาสูนักหน่อบอลูกลา จำได้ยดกอปูพ่อตาวาหลานเจ้าของจำได้จังสันพญาบรุมาศีสอนชัยกะจังในเตรียมไพยพ่นพระชาชนพ่นอนก่อนทั้งสิบสองอโคเพศนี่นี่แหละแม่ใหญ่เพื่อสิไปเชื่อเชื่อหลวงพุ่งเพศเพศสันนนเป็นซีเล่าปุ่นเด๋อเราสร้างเรามาเราลดค้นย่างโดยตีนเป้าเตรียมไพยพ่นพระชาชนพ่นอนก่อนทั้งเทีบสองอโคเพศนี้อยู่ที่กรุงศรีพี่นี่มาหอดีมหาราชก็เลยจบลงนี่ หกสิก็ภาค่าฐานโมทนาสาธุการตีของวันเข่าสารพร้อมกันเอ้ยพ่อไงแม่ไงเอ้ยวันเข่าสารตีของวันเข่าสารอายุอิ่มสมบูรณ์ยูดีไม่แห้งอ้า บัดนี้เหลืออยุสองกันแม่ใหญ่ทิคนาทิกหลังเที่ยวมากย่อยอาหารไปสะก้อนเลื้อยนีไปใส่มาใส่เป็นเลสขาดอืมชักกติ3าี่หกพระค่าถานนครกันสี่สอ่ะลาดธนาในม่นอาจารย์บุญถมในม่นค้าน้อยครับพ่อ่าเหลืออยุสองกันโยมเออโยตเดาเดอร์อีแม่เป็นอย่างน้อพระสงผลจังว่าอาจารย์เพี้ยนสินจังบอกว่าตีค้องว่านเข่าสาง อันนี้เป็นการแสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ความบ่อืดบ่ยากของพ่อของแม่พี่น้องชาวคุมวัดศรีสุมังชาวอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารคุณโยมแต่วานพ่อประมาณเดลย์าวานหลายเกินไปเป็นการวานบูชาธรรมแต่ละกันแต่ละกันไปขั้นวานเป็นกระสอบนี่ถูกได้แม่ขั้นสรีวานเป็นกระสอบกระจงไหวซะเอาไปขึ้นรถอัตมาพเดอเอามาใส่ถุงยางว่าวานอัลละน่อยสองน่อยพอยญยแม่ใหญ่เอาวัดนี่ขึ้นกันชกษัตริย์หรือกันชังกะทิชา เปรบหกคุณโยมชักกะเปรบหกคัตติยะนั่นก็คือมหาราชาสนธีกันเขาไปแล้วก็คือชักกติหรือชักกะซัดการที่เปิดเชื้อเชิญองค์บรมพระพงเพจเวสันดอนไปดุดความมูลมวนไปดุดความูนไปดุดความูนบางผู้ที่ถนัดชัดเจนกองโยธาธิการกระตัดถนนหนทางเข้าสู่แผ่นแดนวงกตกระซ่วงเกษตรสหกรณ์กร่วมกันปลูกปลรหมากหลากหมา อีกกลุ่มนึ่งนั่นกระแบกอาทุ่งสอดทงไสสังเกตจากการเฮ็ดบุญพระเวทของแต่ละมมบานโดยเฉพาะบานของพวกเฮาพอทายโยบอกว่าเป็นอย่างจังเฮ็ดยากแทบบักมีบักม่วงเอามาร่วมกันเยอะแยะมากมายนี่ล่ะแสดงออกสึ่งความอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขคณะที่ไปเชิญพระเวทสันดอน ขาขับมามันสิได้เป็นหมากเป็นผลได้เก็บได้ยูได้กินไว้ทังซานบ้านเมืองเฮากระสีโบอึดบอยาเดินทางไปถึงเขาชินล่วงกดเป็นเวลาแง้มมือแรงพอดีเม่ใหญ่เอ้ยเวทสันดอนได้ยินเสียงอึกกระถึกคือโคมโฮลีปีผาดระนาดของวงนึกว่าเป็นขาศึกศัตรูตีเมืองสีพีนครแตกแล้วเขาสีมะขาเฮาเขาสิกุดหลักถอนคนและนอสีเอ้ยจูงแขนเมียเจ้าของขึ้นไปลีบนชงอนเขาตั้งแต่หน้ามือแรงจนว่าลุ่งสางสว่างแจงมา โมโหลีปีผาดละนาดของวงกบเลิกบลลบละแม่แต่ประการใดพระนางมัตสีเกิดความเอะใจก็จึงได้สอดส่องมองลงมาที่ใต้เทือกเขาคิริวงกอเห็นท่องแปดหลักคุณโยมนั้นท่องที่ออมสาลาบานเฮายู่โบกไปโบยมาโบกมาโบยไปเป็นสัญลักษณ์ของบุญพระเวสสันดรเหตุดังนั้นพระนางมัตสีจำได้ว่าเป็นท่งของบานเจ้าของเมืองเจ้าของ เอิ่นผัวเจ้าของในความเร่งรีบเรียวไวยแลนลงมาเถือกเขาชิ้นวงกอดเจอะกันแล้วซะแล้วบัดนี้หกข้ัตริย์พญาบรมมศีสนชัยเหลือไปเห็นภเวสสันดรเมนลูกเข้าบ่น้อสม่าบอกขึเกาเตะผมเน่าหลากแอกนองกระดูก่างแจกแสกจ้อยกระจอยดำกระดมเวสสันดรลูกคอเบาได้ข้ามเดียวแค่นี้พรวะเขาไปกอดลูกทรายสลบมิตดสีกลางเขาคลีิวงกอดพานั่งพุทธีเห็นพานั่งมัชย์จอยบอกจอยว้อมลั่นถดถดหูในดวงใจภาวะเขาไปกอดลูกสะพ้ายซี่ ลูกแม้ซ้ำนี้สลบกลางเขาชิลิวงกอดการหากับชาลีพีกับน้องเห็นพอกับแม่ปูกับยาวิสัญญีไปจังสันสองพี่น้องกรมกอดกัน<อ>กรมเกี่ยวพะวะเขาหากันสลบกลางเถื่อเขาชิลิวงกอดเฉกเช่นเดียวกันคน12องอาคบเพณีที่ติดตามมามันซีอดล้ น, น, นทนไวใดจังใดและแล้วก็สลบไปด้วยกันทั้งหมดหอนถึงซากกรีนอินท่าธิรานผู้เป็นปรารถในเมืองแม่นแดนสวรรค์ ก็จึงได้เสกฝนบอกคละพันะจัดตกลงมาหดสรงหกกระซัพอมข้นสิบสองอโขเพนี่ฟื้นตื่นขึ้นมาเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้ว พญาบรมมาศีสนชัยทําการเชิญลูกชัยสองครั้งเพิ่นกบรับเชิญครั้งที่สาเวสันดอนก็บอกว่าพอเอ้ยการที่ลูกได้จากเวียงจากวังบอมเนยอนพอคนเดียวเป็นพอชาวเมืองซับซอนพอจึงไลลูกเต่าเข่าปลาไพนาบอให้เน่าพาล่าจึงไลนีเมืองบ้านไผเป็นคนเดินขบวนไลลูกให้คนคนนั้นมาเชิญลูกจังคอยสิรับคันิมนไทยเฮื่อเดียวกันจะเชิญกันเถาะอยากอายสิขึ้นไปพนวามันคือเข่าข่างกันโพดเพิ่นกรเลแตางตังเสนามาคาอามาธให้เชื่อเชิญพรเวสันดอนอาตมาศร ิเชิญเอาหีเอาค้องมือว่านพันระาผู้วิสุทธิผัธรคุณก็ได้เชิญไปแล้วมัสอวากับตัมมาว่าเชิญพระจบสาดอกอาจารย์บุญถมเมื่อยล้าปีนี่พนาวาอาตมาก็ติเชิญเอาหีดเอาค้องหอดบทบาทพระคาถาคุณยมส่วนไโส่วนดาเฮ้ บลอมมาสีสนชัยตนแกนงอาวนจอมเชียงเจ้าจอมจักบุญสูุสัอสักสอพกเท่ากบกับกันเป็นที่ยศสจสัยง กองเสียงตื่นตองสาปูนพุนเทพาใจสั้นๆใจสถานปั้นทั้งปูวางทางเขาหลวงสิเนโนราดไว้วันวาดทวยสา สี่พันเจ็ดสันถูกขอบพันบอลลีดานมีทางเขาจักรวาลไวกวัดแว้งหัวทุกแห่งหัวหัวหัวหัวหัวหัวไปมาบุติกบาลังประวัติตินติวในกาลัณานา นานเวสันทะนาโลโพติสัตตนวิเศทาลงเพศเป็นหลักีจำเรื่ธรทมจำศีลเมตตาภาวนาสัมมาคัจจานก็จึงได้ประสบ พับด้วยกัติยชาติอันเป็นญาติปลามหากัสิัทธวัฏตินฑูเทวในกาลปณานาบานอินตราธิราชตนเป็นอาจในตาวติงสาสัญญาธราประวัติสีอวา ดตกลงมาในภาณคงเขตประเทศที่สาลาประวัติว่าในกาลปณานานาตาร้สุนิตาพุตโตอันบาลานทั้งสองเลิศแนวจุงให้เมื้อเป็นองพันแผวแกเสีิ ด้วยสวัสดิสันติบอละวายประเวศสันตาราเ จ, า จ, าจาวานตาวันชานูสีร ช, รชรุชรชรชังจติทารุวาอุพโธดังนี่เป็นเขา<ร>ตั้ ง, ตงแต่พระบาทเจ้าเจียรจากเมืองมาอาทาเครื่อง ใครเหตุว่าพระนิเมื่อบ่อใดไปเป็นแก้วแทนทาลงนาเชิญปานิค เพื่ปุณปองของเมืองเลี้ยงให้ฝานางามยิ่งนาคว่าสาสวรรค์ตามอัฏาปราเพนี้จงได้ทำดังเก่าเป็นท่าวที่หนึ่งแล้วสัมปัติเราสองทีชักกะติยปภูนิติโตค่อยกว่าศิลาชักกะติยปภานิตตาค่อยกว่าดศิสังชักกะติยาปภังนิติตังกวาดเล้วทอง นี่อันตริคอง กันชติ3ิสามภาคาท้าต่อไปขึ้นกันนครกันบันคำคำกันบันสุดท้ายพอยายเมย์ยัยพอเวสันดอนรับคันนิมตนแล้วจําเป็นต้องขึ้นไปค้องนครคือเกาแมนบออีแม้การที่สิขึ้นไปค้องนครได้นั้นสิไปในชุดพฤรสีสิแมนบออแมนต้องมีการซื้อขาลาเพลออกจากการเป็นดาบดอตและการเป็นตาปาสินี่เสียกรอนเซี่ยวผ่ามัตส์ใส่ละมาซึกกะ เจ้าเมืองกาสีซึ่งเป็นเสียวของพญาบรุมมีสนชัยในยิ้นข่าวว่าสหายของเจ้าของสิมเชิญลูกชายขึ้นส่บาน ก็เลยได้เอาผ่าขาวหูหน ouais um> ึ่งเป็นผ่าจักเงินผ่าจักข้าเป็นผ่าที่ดีที่สุดในโลกของช่องผู้ทวีปยุคนั้นสมัยนั้นมอบให้แก่พญาบรมมศิสนชัยพระนั่งกุษลีดิฉันขอมีส่วนรวมในการศึกลูกชัยน้าแหนะเจ้าข่ายื่นมือไปเดเอาผ่าจักเงินจักข้าเป็นผ่าขาวหูหนึ่งดิฉันสีแดงตังนั่งสนมกรมมาวังให้แต้มตาผ่าแล้วกรตัดออกเป็นรูปทรงองค์กริย์ดังนั้นมนีอัตมาศิคอาราธนาพระาจารย์บุญนําเป็นตัวแท่นสร้างหูกสร้างท้ แต้มตาผ่าพร้อมกับตัดลูกทรงองค์กระสัดซึกองค์บรมมาพงเพทเวสันดอนออกจากการเป็นดาบดเพื่อจะกลับไปครองนครอีกคํารบเป็นทาวที่หนึ่งแล้วสัมผัสเราสองที่วจังสันนิมนต์ขะหน่อยอ้าวบัดนี้ตกมาถึงนครกัน48รประค่าถากสุดทายไม่ใหญ่เข้าได้ซอยกันบําเพ็ญมาทั้งอาตมาทั้งสามรูป กระเด้ซอยพญยาดแม่โยมในเรื่องของเวสันดอนเตลัสกันพันพระาถาปารบอธิบายเป็นทำนองสรพันยากถาให้ญาติโยมด้เข้าใจมากตั้งแต่กันทัสพ่อสิบเก่าพระข้าถาหิมะพันลอยสาท่านัขันสองเกไล่มาเรื่อยเรื่อยจนว่าถึงนครการสี่สิบแพระข้าถาเฮากำลังสิบำเพนพบ พันพระฆ้าถาภายในมือนีมือหนึ่งวันเดียวตามดีกามลยสูตรถหาว่าบุคคลใดไทยคนหนึ่งได้ฟั่งเทศมหาชาดได้ฟังล่ำมหาชาติจบลงไปภายในมือหนึ่งวันเดียวเพื่อนบอกอวยวะสิได้พบได้พอศาสนาของพระศรีอริยเมตตโยศาสนาของพระศรีอริยเมตโเมตยโยมีความแตกต่างกับศาสนาพุทธจังได มีความแตกต่างกับศาสนาพุทธคือในศาสนาของเพิินเป็นศาสนาที่บ่มีค้นหูหนวกที่บ่มีค้นตาบอดบ่มีค้นขาติดหูติดขาแยงมีตะค่นง่ามงามมีตะคนรุยลุยเสมอพากันไปเบิรตนั่นคือศาสนาต่อไปที่สิไรมะโปรดเฮ้าต่อจากศาสนาพุทธนี่เด้อพญาตินโยมเน้อฉนั้นเฮ้าในบำเพ่นมากเฮ้าในซอยกันใส่ขันติบารมีอดทนมาก กำลังสิจบกำลังสิถึงเสร็จใช่พอญาิไม่ยอมเฮากาให้ตั้งออกตั้งใจได้ท่านไปแต่ละกันแต่ละกันแต่ละกันไล่มาตั้งแต่กันทัสพรได้อนุโมทนาร่วมกับพนางพฤษีขอพรเทพสิบประการเรียกว่าทัศพร จนมาถึงนครกัน48สิบแป่าคาถาซึ้องค์พงเพตเวสันดอนพนังมาซี่ทาวชลีนั่งกันหาจากกันเป็นดาบดจากกันเป็นตาปัสสินีกลับขึ้นสู่สีพหลานคร อาตมาสิเดแตมตาผ่าสูพอญาดแม่นโยมไม่ฟั่งว่าผ่าของพระเวสสันดรนั้นเป็นผ่าขาวได้มาจากเมืองกาสีเมืองกาสีอยู่ใสเมืองกาสีก็คือเมืองพระสหายของพรญาบรุมศีสนชัยนั่นเองได้มอบให้มาเสือองค์พงเพทเวสสันดรเป็นผ่าขาว ยังบอท่านในมีลูกมีล่ายิงอาตมาสิได้เป็นตัวแทนในการแต่งตาพายองค์พงเพศเบชนดอนพร้อมด้วยพนังมันซีเท่าชลีนั่งกันหาต่อจากนั้นการเทศมหาชาติของเฮากระโคงสีจบลงภายในเวลาสี่โมงเศษในช่วงนี้ต่อจากนั้นก็คงสิเป็นพิธีสู่เขาเหล่าขวนให้พระเดชพระคุณพระ วิสุทธิพัทรคุณพระคู่วิสุทธิพัทรคุณเจ้าวาดวัดสุมาลาของเฮาหรือว่าเปรตประคุณพระอาจารย์สมบูรณ์เซิงอัตมาข้อลบนับถือทันเปรียบเสมือนอายเปรียบเสมือนพีนองพญายมยมเนาะคือนั่นคือเป็นพิธีสุดทยนี่พญาย่งเจวา ฉันสีแต้มตาพาขันในลามมหาวีตนเปรอะโอชาวากับปัสสการจำพาพื้นเนื้อเส่วาพากับปัสสสา ไฟลิดุวยายบุญวันเสาร์สายหวละสนเสลี่ยมเล่ ทองบัวทอเป็นเพือนบาสามใบบาแผ่นอนคเส้ตาตวสาเสสงใหญ่ เขาข้อเป็นเพิ่นบายอ๋อยหญผาลายกาเพืองพันจีปต่อยตีกบโตแต่าเขาแกงครงทาขอเป็นเพื่นบาสุขธนา พิลาดุวยลายดกแหลกเครื่องจุ er ่มเจเจเเจเจเจจเจเจเจสจเจ วันวานตาหนึ่งหอมดุลาดวยโคตรย่างติดย้อนไล่กินเยียงฮอนในผาพรนเด็ดเด็ดตาหนึงหอลาสักพูดบริสดไว้ลูกนาตา หนึ่งหกดอล่าดวยตัวโมสังโมตั้งหกตั้หกตั้งหก ตรนองเพื่อทำสยบตานอแก้วแก้กนู่นทอตาเน่หอหอมแม่น้มหาสมุทิงอยู่ลินวดล้านนึงหอมหอมเสดวยอากาศ ตาหนึ่งาเสือสิงเพื่อผู้ชาตาหนึ่งพูกเม่ยยอชาอนอนมุ่มซอนคอเละเจ๊แหมตาหนึ่งหกพู้แยมแยมจะต่อใจดีตาหนึ่งหกหกูยิงตีออกทำให้สูงตาหนึ่งหกหกผู ตาลูกแก่มบนแหลหมแแลแลาองแงแมีพมือบล่ลูกลตาู้ผู้สาทัดตกม่ลนยโสา เนินองจากยังเวงพอมสงการตาเนโหอบน้อยจับไม่เตอนซ้อนแซอนเวซอนแล้วซอนล้มซอนแวซอนเล้มซอนแล้วนล้อนลอนแล้วซ้อนแล้้อนแล้วซ้ลุวซ้อลอลนแลน้ออลแอ ตอนนี้จังว่าจบกันบอดบานจังว่าจบกันบอดบานนักอกันมันสิคำคำเอ๊ยเอ๊ยนอ๊ยลอกนเอ๊ยเอ๊เอ๊ยเอ๊ยเอ๊เอ๊ยเอ๊อเ สูงรั่วลประชาชนดอกทั้งปวงว่างวันเย็นเดือนสานภพผู้บังเสืกแล้วป่าชาชนส้มเสียงมฤตึกคือเอิญดอกดินฟ้าสันสะเทือนองค์พระเวทกันเจมเจ้ากับขังเราทหามี กำลงกัสำสุกกระตุกคนเสมอนาเป็นเวลาหน้าตาแต่สองอดดอกผักพรอมกงความเวทันอดสิได้กับเต้าบ้านกันวังควงแห่งสถานกคนสิกด้กันเตาบ้านป่าวังสังกันล้ดอยละกอด แล้นเอ้อฝูงมูดีละชันๆัดอกหวังหวนไม่มากเข้าขอสั่งละมือนี้ทีขึ้นนองแหงตาล้จังว่าตกถึงตอนนี้กาเทพมหาชาติรือในเรื่องเวทสันดอนกัจบลงตํามนี้บ้านีที่โยมซาบา ที่ยุบก็จงเกิดขึ้นแก่พอจงเกิดขึ้นแก่เมตฐานยุในมือนี้กันดีด่วนกูสู้นจังอัน้ตอนนี้ป่าเริสังเสียงสั่นเงก่อนสี่พักพอดดลลสี่พักไหวขอสานีพอดูนเอ ถ้าทันวางมุมมุกันคอยคำอัดกันดอกเจ้าลาล์ศิลาเทศเสียงซำเสียงะการเวลาสองคนเลวกันพ่อดีสิของวายปึงอีกหน่อยควายตอนของสารพัดนาสิขึ้นบานมันสัวแซ แสดงว่าทั้งคำแล้วไว้เข่าแรงแสวงแวนผู้บุญครองเขากับพอดีสีหัวพ่อดาไม่สีหาบุขลงแล้วทิ้นัก่อนกำลังอดฉันสิในในกอนกลับคนเพื่อเต่าตาสิลางาปูสุปูปูสุู ขอขอบคุณยังมากหล่นทิ่มิเมตตายิตในโขงเจ้าหวลานทั้งสามลูกของความงานในวันเียผลความดีท่านของธามศรัทธาท่านได้สั่งกอด้วยน้ำใจพปด้วยน้ำใจแสนตาเสดทิงก่อนกุศลนั่นจงสนองให้ พให้เจ้าไหในพี่น้องกันกุมควงวังปัชาเม่นไปมปทางใดให้มูขคนน้อยมีเงินทองเหลือใสเต็มกระเป๋าได้เอาอังสนุบสนับสนุนัางสับสมบัติมากล่นขันเหลือใสในใส นึกนึกในพทางให้ลายลายคันมากกอกให้มีทองเต็มคำให้มีคำเต็มขอขอเป็นกันย่อยสิ้นใสนอนรับไปให้ฝันพอกันห่อยเมื่อเละสื่อเ้อได้เจ้าอินขันนั้นล่าในผ่านนัมี ก็ยืดเสื hey. um. ้อเล้าอไทยสัตว์ตั้งให้เพียงพอพอสัตทธาลำค้ามมาจนยามีพ่อนันใดให้ไหลลังให้ยุมพอเมจเจ้าสมวัติภายานอยากได้อันใดลันใ้ลังงให้ลังง ท่านเันยยมสนใจคาอัตมาให้ฟังต่อพระอาจารย์วุ่นขมขมโยธรรมะขั้งนั้นองค์แเล่เขาวๆจากน้อยนั่นเดินโยมพอพระอาจารย์เข่นศิลป์องอวนๆลงไปเข้าห้องน้ำโมแม่เจ้าหลานน้ำตัวของฉันว่านเป็นนามไทย จัวัดป่าสักทีรรมตำบลจอไหลทอำเภอเมื่องนี่ารเจ้าอาเภอเก้ากันแอรจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่แชกไปไ่ขาดการไป้วิ่งหล่นลเงินและเส้นทาเชิญคุณพ่อ เจินคุณเมตต์ตรงไปยามกันได้สีงอหายใจผัดน้ำลาคนางคุณยอมฉันลาไปโองย้ำฉันพล้จาบจ้องจะเดือดร้อนก เพ่อความสุขสวัสดีมีดคุณยอมทิ้งวันหาจากอกศพพันอายุอันอายุอันวันเวันเออเออเออเออเออเออเออเหอเออเออเออาออเออเออเออเออเออลออเออเออเออเออเออเออเอสัออเออเออเอเ ตึ้งกกกกกกไปกันเดกๆี่น้องสีลมนี่บออา่อนนั้นเดพ่อหนี้แม่ย่าแม่แ แม่าเอ้ยผู้สาวเด็กนุยเอ้ยผู้สาวเอ้ยาอกเออันบนนอ ก็จะเอินบันนอกเถอะมันบอกเขาทาเอินชนนบดนแม่เนาะเออผู้ยุบที่น้อยใจมามีดอกบันนอกมิได้ชนนบทเถอละเอา วัตถามสถามังโมนิราชาสาสุนันตุสักขโมขะทาสักเคกาเมจารุเปกิลิสิการัตเตจันตลิเิวิมานิ ยีเปลาทจากาเมตลวนคานนเคหาวทุมิเคเตหูมาเจยันตุเทวะฉลาดท้าลวิสเมยภาขันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจันังสัทวเมสุนันตุ ธรรมะสาวนกาโลอาญพัทันตาธรรมะสาวนกาโลอาญพัทันตาธรรมะสาวนาคาโลอาญพัทันตาสาธุเดชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลระเบียบพซึ่งประกอบไปด้วยไตรแกลสามประการ พุทธรัตตนังธรรมรัตสังธรรมรัตตนังสังครัตตานังจงมากุมมาเลียมมาบกมาบังมาซอยสู้อภิบาลรักษาพี่น้องกองป่าโดยเฉพาะประเด็จพระคุทลองคอพระผู้วิสุทธิ์ที่มากผัดภรากุณเจ้าอาวาสวัดศีสุมางคพร้อมไปด้วยพญานาโยม ดังนั้นขออัญเชิญถ้วยเทพไทยที่ว่าบนสักขาเมืองแม่นผู้มหเทวดารักษาพื้นพิภพแผ่นดินวัดศีสุงอารักษาเทวดารักษาอยู่ตามลูกคาเทวดารักษาตามตนใหม่ให้ข้าอาการาเทวดารักษาบนพื้นห่วงอากาศณนาผ้าอากาศจงได้มาพบปักรักษาเป็นสักขีพยานวบัพปุขาทั้งหลายได้สั่งคุณงามความดีบำเพ็ญบุญมหาขาดทานาบรมีศีล บารมีภาวนาบารมีวันนี้จงได้เกิดแต่ความเป็นสวัสดีมงคลเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้และบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจงประสบพบความสวัสดีทุกทุกท่านทุกทคนกาบนิมนต์ข้านอย อิมินสการเรณตังพุทธังอภิปูชนยามาอิมินาสการเรณตังธรรมังอภิปูชนยามาอิมินาสการเรณตังสังฆังอภิปูชนยามา สาธุด้วยเดชบารมีพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังขรตนาเมื่อนี้เป็นมือดีวันดีเป็นมือสิริมห่าชัยเป็นมือสุพโชคเป็นมือสุพเลิกสุภชัยญาติโยมพี่น้องชาววัดสุมังค่าทั้งหลายได้พร้อมออกพร้อมใจกันมาฟังเทศมหาชาติเมื่อฟังเทศมหาชาติจบไปแล้วในบันปลายสุดท้าย ี่มีการบาศีสุขวนให้ประเด็จพระคุณเจ้าวาดวัดสุมังคล่าขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงทำจงจูนจงหนุนพอยาติเมยอมพรปิดวยประเด็จพระคุณท่านพระคู่วิสุทธิพัทธาคุณขอให้มีอายุยืนยาวยืนยาวต่อไปสิ้นการล้าน นาโมตัสสัมพัทธาวโตอัลหโตสมมาสมพุทธัสสานาโมตัสสานพัทธาวาโตอันลัหโตสมมาสมพุทธัสสานาโมตัสสา ภาคควันโตอนรางหังโตสัมมาสัมพุทธัสสาวาสีสีสีสีสิสีสีสีสีสสส พิเศษตินเล็กติดสูงันยามคัลติเลอก สงวัสันเดไม่ตีจงกัเมีแกมพลันเดประคุณทานพระคูวิสุทธิพัันราเึงพนพร้อมไปด้วยพอท้ายกแมททายิกามพร้อมไปด้วย AH ญาติโยมผู AH ้มาจากทิศสานุทิศตางตพร้อมไปด้วยประสงค์ภายในวัดโสมังคันนาวนาลามทุกตนทุกองกองคันเถอ ทิวิทธาตุนลาคุณพังลาตโสชัญยมัง ขันลาติเลกอเนกสีสังวัตดีขันทบพัญญกอรักษาสุลลาสุลินอินพอมยมมัญญักลักษาสุนักขัตตาสุนักขัตถาสุมังคลาอุตตมโชอุตตมโยกอุตตมาดด อดวามนาทีมหาสักขีพินลาดอินทภาพพร้อมติย่างทั้งนวังขาตุพร้อมกันโยศรร้อน สอนรอนอาทิตย์จรนจันเลออังคันเถิกมหาใจพูดพันเลอหัดไปเป็นโชคสุขเสาใดสาละโยกพรอูดทั้งละชาอูดตัมมังทันลาวิเศษมือนี่แมนมือดีมือนี่แม่วันดีวันนี้แม่วันดีทีอามุตตันโชคสิทธิโย พอลาคณาฟุงธาทั้งหลายจึงพร้อมกันมาทําไว้ราชาบาศีแกศสมเอตทัสังทาราชามหารา จักผู้เจ้าตนเป็นเขาเป็นเอาแกอาลามองทรงศิลศิลที่พุณนขามขามมา อดเยือนอยากอยากคอยกระทำเพียนใจสถิตสะเทียนถึงขนาดอง์อาจด้วยปัญญาทรงวัดสายญาถอยเ่าแพร่ผลพาโส่วุงสุดตันนิกายสุดทั้งหลายอันลำยิงจบแผลเพียงสิ่งพาวิในพาอภิธรรมไข่แกง จอดเท่าหอดปาปัดานเอมีทางอลังการวุฒโตไทยไข่เงือกลาให้เจ้าเป็นสัมมานามันเทียลักขาฟุงขาทางหล พอมันมาทำไวราชาบาศีเย้สมดิตมหาราชผูคุงคาทั้งหลายจึงได้ปัดธนาตตั้งกันบ้างพงปัตนาสมบัติเท่าพันมาสมบัติหลากโลกีเป็นเศรษฐรัตนะพอ น้องเงินคำของมามีนับด้วยสิ่งอาสงไขยบังพงปฏนาเป็นพระเจ้าจากกัปดิราชขอได้ผ่าแผ่สิ่งทีจชมพู ผ้อิมวาดจากเชือเอินเอินเอาเจ้านาทวารผู้โยกกำไฟเหนือว่าทาจากเชื้อ เอานางคำเขื่อนผุนหยกกำไฟใตว่าคาจะชื่นเอานางเอกไท อยโยกรรมอาธหรค่งมาสวยคูนสวยหน่อขวัญปลาดีพระคูนเจ้าอาวาสวัดสุมังคลลาพร้อมไปด้วยพระสงฆ์สามนินในวัดในอารามนี่ทุกตนทุกองค์พร้อมกันนานยมพอโยเม่ชาวสวดสุมังคลลาทุกตนทุกอง ก็ขาอเถิอนะว่ามา ควันเออควันเออควันเจ้าไปปลุกปูป็นหักการดีได้ดีได้ดีได้ควันเจ้าไปปลูกมากป็นนใบควันเจ้าไปปลุกหัวชิงไข่เฉียวอนเฉียวอ้นอยมาพลอยมา สาหรือนี่ดอกบานเนี่ยนวาาดว่มหวานมา ควันเอ้ยวควันเอ้ยควันในและควันนอกควันสอกและควันข้างควันหนุ่บางแลกคมเขียวควันทองน้อยนะ ควันพรมคําเสียงเก็บควันฝากควันเกล้าจาควันตาและวันชิววันนิ่และวันแขมวันขาแป้นกลงไลไม่นานเลยควันหมูคอมาคอยมาสาเองสาเอืองมือนี้ลบวันนี ว้า <Wow. S 2> wow. ควันเอ้ยวันเจ้าไปเที่ยวเล่นดอมทางนกเขากันดีได้ควันเจ้าไปเที่ยวเล่นดอมนั่งนกกะเจ้าควันเอ้ยวเจ้าไปเที่ยวเล่นดอมนั่งพี่ห์ควันเจ้าไปเที่ยวเล่นดอมยาพีเมืองพีเมืองคอยมาคอย You n e e a b ตนฟุงขาดท้งลายบางพองปาธนาเป็นพาอินท่าทิมราตนเป็นอาเกเทมันดาทั้งลายบางพองปาธนาเป็นพาสัพพันยุดตาญานนำสัตว์เทสุนิลาพันอันวิเศษบางพองปาธนาเป็นพาปัดเจกผู้ทียาน อันลำยิงผลจากสิ่งสงสารบังพองปาธนาเป็นพระอรหันตาเป็นที่เลวยายขาดแก้วคัมมาคําปาธนาขอจงให้ผุดมสมศิีธิหรสวัสดีแก้มฝุงขาตั้งลาย ดัชาวุติธรรมตังเกตปากการคืออายุวันนาสุขามพันละอันโรคาพังวะทวนหามปัติพันธ์พังวัดทวนหูอติปัดตูพังวัดทวนเจตจงสันเดชลงมาักษายังคันทาสันดานแพ่งสมเนตผาสังคาราจากผู้เจ้าพอ พร้อมไปด้วยพระภิกษุสามเณรพร้อมไปด้วยพ่อทายุกเมธายกาฟุงขาทั้งหลายตับเขาเข้าสู่เมืองเกว่าวานิลพานทุกตนทุกอง์กข้าเธอ